อาจารย์ครับกล่าวนวัฒการครับอาจารยครับคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านตอนนี้ยังอยู่ออสเตรียอยู่เล้วครับอาจารย์ครับตอนนี้อยู่ออสเตรียอยู่ที่เมืองเวียนนาครับอาจารย์ครับตอนนี้ไม่เครียดใช่ไหมอ๋อผมผมไม่ตอนนี้ผมยังไม่เครียดเพราะยังยได้ตามความอยากอยู่เพะเลยไม่เครียดมันเครียดตอนที่มันได้มันอยากแล้วมันไม่ได้มันจะเครียดตอนนั้น ใช่ครับอาจารย์ถ้ยังได้อยู่มันไม่เครียดหรอกเดี๋ย ว, วันหนึ่งมันกอาจจะเครียดเพราะอยากจะได้ในสิ่งที่มันไม่สามารถที่จะเอาได้ครับแต่แต่วันนี้ก็ตั้งภาวนาอยู่นะครับอาจารย์ยังเดินตั้งสติอยู่ครับอาจารย์ครับอาจารย์วันนี้คนมันเห็นคนน้าหน้ากุดตั้งสองร้อยหกสิบว่าคนแล้วครับอาจารย์อ๋อวันนี้ไม่ถึงลนะประมาณร้อยสี่สิบ มีมีวันมันเยอะมากเลยครับนสงการสองร้อยกว่าคนสงการวันที่สิบสามนงคนสองร้อยกว่าโอ้ใช่ครับเห็นว <230 S 1> <อ>าส<อ>ามสิบนั่งไงประมาณน้ฮแล้วก็ลดลงมาพระมาณหนึ่งร้อยเจ็ดสิบร้อยสี่สิบวันนี้ก็ประมาณร้อยสี่สิบนะอนี้วันที่สี่แล้วก็ก<ง>็ก็ลดน้อยลงไปตามรอดับเพราะต่างคนตา่างกลับบ้านกลับช่องกัน บินธบาลก็เหมือนกันวันสงกรานต์ก็เจ็ดร้อยถัดมาก็สี่ร้อยสี่ร้อยอยู่สองวันวันสี่ร้อยสวันนี้แล้ววันนี้ก็สามร้อยห้าสิบกว่าครับพรุ่งนี้ก็ปกติแล้วครับอาจารย์ขนกลับไปทำงานก็ยังถือว่าเป็นวันหยุดในวันอาจจะยังมีอ๋อบางราชการยังหยุดอยู่แต่ธนาคารก็เปิด ครับผมมันนอนหยุดชดเชยของราชการอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นปัญหามากน้อยก็มันก็กินไม่ได้หมดเท่าที่เขาให้ไม่เหลือตอนถึงเวลาจริงเห็นพระอาจารย์ฉันอยู่นิดเดียวแล้ช่อามันก็มีแค่นั้นอ่ะมันจะไปเอาอะไรใส่ไปว่าอะไรับกินมากก็เป็นพิษเป็นไัยกับร่างกายนะครับขายมันมากเกินไปความเคมมากเกินไปความหวานมากเกินไปมันก็ ผลสุดผเสียต่อร่างกายเน่ครับครับอาจารย์ครับวันนี้ตั้งชื่อหัวข้อนี้เพราะว่าครั้งก่อนที่บอกว่าโอ้มีคลิปหนึ่งของภอาจารย์ในช่องปลดล็อกะครับมีคนดูทั้งสี่ล้านกว่าวิว<ม>ครับไม่น่าเชื่อ<ม>นะมีคนดูมากขนาดนัครับผมก็เลยคิดว่าคนคงเครียดกันเยอะครับ <laughs> ก็เลยจะขอโอกาสพระอาจารย์เมตตาให้ความ กรจะจ่างว่าเราทํายังไงเพื่อให้ใจเราไม่เครียดครับในสังคมปัจจุบันครับพระอาจารย์ขอความเมตตาครับโอเคก็ความเครียดก็ก็คือความทุกข์ใช่ไหมความเครียกก็คือความทุกข์แล้วก็ความทุกข์ก็เกิดจากความอยากอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากมีนั่นอยากมีนี่แต่ที่มันไปเครียดเพราะว่ามันถ้ามันได้ดังใจอยากมันก็ไม่เครียดอย่าหมออยากเที่ยวนี้ก็เที่ยวได้ก็ไม่เครียด ถ้าใครอยากเที่ยวแล้ไม่มีเงินเที่ยวนั่นอาจจะเครียดได้ดังนั้คือความเครียดเกิดจากไปอยากในสิ่งที่เรามันเป็นในสิ่งที่มันไม่แน่นอนอยากในสิ่งที่เป็นอนิจจังอยากให้มันเป็นนิจจังอยากให้มันแน่นอนอยากในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้อยากให้เราควบคุมบังคับมันให้ได้อยากในสิ่งที่เป็นอนัตตา อเราอยากแล้วไม่ได้ตังใจอยากมันก็เลยทําให้เราทุกข์ทำให้เราเครียดขึ้นมาเนี่ยนี่คือการทํางานของใจรักนะครับงั้นอยากไปอยากในสิ่งที่มันที่เราที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆสิ่งใดที่เราไปอยากแล้วที่มันไม่เราไม่อยู่ภายใต้าการบังคับของเราก็คือเราไปอยากในโลกกระทำนี้่แี่ยโลกกระทำสีเนี่ยอยากในลาบยศสรรเสริญ สุขทางตาหูจมูกเล้ยงกายหน้านี้เราสั่งมันได้เมื่อวันนี้ขอให้ถูกหวยมันก็ไม่ถูกไม่ถูกก็เสียใจแทงหลายสตา ง, งค์มงคลแทงเป็นมืนๆถ้าไม่ถูกก็อแล้วสูญเสียเงินไปแทนที่จะได้มากับสูญเสียหมดยศก็ตําแหน่งก็เห็นว่าตอนนี้ก็้าเสียเงินวุ่นไปหมดนะ ขายยอท้าตำแหน่งกันนเดี๋ยพวกที่ได้ก็ก็สบายใจไปพวกที่ไม่ได้ก็เสียใจช่วงนี้ก็เครียดทั้งสองฝ่ายว่าไม่รู้ว่าใครจะได้ใครไม่ได้เครียดกันอย่างในยศอย่างในสรรเสริญกับพวกชิงรางวัลตา่างๆรางวัลออสการ์รางวัลอะไรตา่างก่อนที่เขาจะประกาศนี่นั่งเครียดกันนั่งคิดใครเราจะได้รางวัล เราเข้าประกันแล้วว่าคนที่ได้ก็ดีใจกระโดดโลดเต้นคนที่ไม่ได้ก็เสียใจเช่นเดียวกับความสุขทางตาของจะมูกลิ้นกายที่อยากจะดูอยากจะฟังอยากจะเล่มรถตอมเก็บสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าได้ลบได้ได้ทำตามปรารถนาก็เปความสุขถ้าไม่ได้ก็เสียใจเศร้าใจานี่คือปัญหาของพวกเราเราประหยัดในสิ่งที่มัน เราควบคุมบางคบไม่ได้สั่งมันไม่ได้ว่าทุกครั้งที่เราต้องการสิ่งนี้ต้องได้ต้องการต้องการเงินเงินต้องมาทันทีต้องการต้องการตำแหน่งตำแหน่งข้ามาทันทีมันไม่ได้เป็นตามคำสั่งของเราดงั้นเจ้าสอนให้เราใช้วิธีอยู่แบบน้อยน้อยสัโดยบางยน้อยก็คือให้เรายินดีกับของที่น้อยที่สุด ของที่จําเป็นที่สุดถ้าที่เราจะต้องมีให้มันมีน้อยที่สุดนะเพราะว่าจะพุทเจใช้หลักบางน้อยอยู่บางน้อยสันโดษนะกับเรื่องปัจจัยสี่อันนี้เป็นของจําเป็นจะต้องมีเมื่อจําเป็นต้องมีก็ให้มีให้มันน้อยที่สุดนะอย่างพระพุทธเจ้าก็อาหารก็มือม้อเดียวชานมื้อเดียวถ้าอาหารก็ไม่ต้องไปสั่งไปไปเลือกไปเอาตามอาหารที่ได้จากการบินสบาย มากน้อยสั่นเดิผ้าจีวรก็ให้มีชุดหนึ่งชุดก็พอสามผืนผ้าไต่หนึ่งชุดก็พอเพียงต่อการใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มแล้วก็ผ้าในสมัยก่อนก็ไม่ต้องไปซื้อให้ไปเก็บผ้าที่หอ่อศพที่ทิ้งไว้ในปา่าชาพอศพพอศพเน่าเปื่อยไปแล้วไม่เหลืออะไรแล้วแต่เหลือแต่โครงกระดูกก็ไปเก็บผ้าเหล่านั้นเอามาซักมาม า, มาย่อ ม, มาตัดมาเย็บเป็นเป็นจีวรต่อไป ให้ใช้ของที่มีอยู่แล้วของฟรีพูดง่ายๆเดี๋ยวพระพุทธเจ้าจะจลาให้ให้สอนให้ภาพใช้ของฟรีอาบนิพพานก็ฟรีใช่ไหมแล้วในนิพพานใครก็ศรัทธาเขาเมตตาเขาสงสารเขาก็ใส่ให้เรากินเองเป็นขอทานให้อยู่แบบขอทานผ้าก็ให้ไปเก็บเศษผ้าที่เขาทิ้งผ้าห่อศพเขาเรียกผ้าบางสกุลเนี่ยบางสกุลนี้เรียกผ้าป่าชาแต่เราเรียกสั้นๆว่าเป็นผ้าป่า แล้วขาที่มันผ้าที่เก็บมาจากป่าชาผ้าบบบสกุลของที่ไม่มีใครเอาเนะี่ยเขาก็ทิ้งไม่มีใครไปอะหยัดได้เพราะมันป่าเปื้อนด้วยน้ำเลือดน้ำเหลืองนอะไรน้ำหนองอะไรต่างๆที่มันไหลออกมาจากร่างกายยังผ้าเหล่านั้นไม่มีใครต้องการอันนั้นแหละคือผ้าที่พระพุทธเจ้ากับผ้าหลานใช้กันเชื่อไหมท <Okay. S 1> ่านเก็บผ้าเหล่านั้นมาแล้วก็มาม า, มาซักมาย้อม แล้วก็มาตัดมาเย็บเป็นผ้าผ้าบังผ้าจีมอผ้าสรงผ้าสังกติีผ้าสามเพยใช้ของฟรีนะมันจะไม่เครียดเพราะ ไ, ไม่ต้องไม่ต่างหากกันมามาซื้ออะไรนะแล้วก็ที่อยู่อาศัยก็อยู่ที่ฟรีอยู่ตามคนไม้อยู่ในป่าทําเอาพวกกิ่งไม้ใบไม้มาทําเป็นเพลย์ทาเป็นเพิงกันแดดกันฝนนะ ถ้ามีถ้ำมีเนือ้อผาก็าไปอยู่ตามถ้าตามเนือ้อผาก็ได้หรือบางทีมีเรือนล้างเรือที่เขาไม่มีใครอยู่เขาทิ้งไว้ล้างไม่มีใครพอหลบแดดหลบฝนได้ก็ให้ไปอยู่อยู่ที่อย่างไหมไม่มีค่าเช่าไม่ต้องเสียตังค์เราอยากใช้เอาน้ะะําปัสสาวะของตนนันดองผลไม้เอาพวกสมออะไรพวกนี้ที่เก็บได้ในป่าเนี่ยเก็บพวกสมออะไรต่าง แล้วก็ใช้น้าปะสะัสสาวะดอมแล้วก็ดื่มเปัญญายาดองเวลาปวดท้องปวดศรีรษะอะไรก็กินยายาดองน้ำมูดนี่แหละคือการอยู่แบบที่จะได้ไม่เครียดกับเรื่องการหาเงินหาทองพยายามลดลดรายจ่ายให้มันน้อยที่สดุดหรือไม่มีเลยได้ยิ่งดีสำหรับพระในยุคสมัยพระุทธเจ้านี์ท่านไม่ต้องใช้เงินเลย เพปจจัยสี่นี้ท่านสามารถหาได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินหาก็เลยไม่เที่กับเรื่องเงินทองเงินทองจะมีไม่มีก็ไม่ไม่เดื่อยตอนแล้วก็ไม่แสวงเพราะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องการเอาเงินทองมันเป็นเป็นเป็นเป็นอนิจจังทุกข์ขังอนัตตาไปยุ่งกับเงินทองก็ต้องไปทุกข์กับมันท่านก็การหลุดพ้นจากความทุกข์ท่านเห็นโทษของของเงินทองเห็นเห็นโทษของราภยศสรรเสริญ เป็นโทษของรูปสิ่งกิเรสท่านกำลังไม่ไปสวงหาสิ่งเหลนั้นท่านไปหาสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราเองสิ่งที่วิเศษที่ดีกวบสิ่งทั้งหลายทั้งปวงคือความสงบของใจนท่านไปหาสิ่งนั้นลดแห่งคํามชนะลดทั้งปวงก็คือลถของความสงบนี่ชำระสติหยุดความคิดให้ได้หยุดการคิน ด, ดค น, นั่งสมาธิจิตเน่งสงบ จิตก็เข้าชาจิตก็พกก่อความสุขที่เหนือความสุขทั้งหมดวกคนเหล่านี้อยู่แบบนี้ไม่เครียดอยู่บ้างเลยถ้าอยู่ขั้นขั้นสมาธิก็ยังมีเรื่องเครียดอยู่เรื่องนี้ก็เรื่องของร่างกายยังเครียดอยู่ยังเครียดกับความแก่ความเจ็บความตายแต่พอจะเรียนวิปัสสนาพิจารณาร่างกายว่าเป็นตายรักมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายห้ามไม่ได้ยับยั้งมันไม่ได้ พอยอมรับความจริงไม่ฝืนไม่อยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายความทุกข์เกิดยวกร่างกายก็หมดไปทันทีพระวังร่างกายได้นี่แหละคือวิธีกำจัดความเครียดทำจัดแบบของพระพุทธเจ้าเนี่ยเลิกที่สุดวิเศษที่สุดถ้ายังเป็นขราวานอยู่ก็ลดรายจ่ายพยายามลดรายจ่ายพยายามใช้อย่าไปใช้ของฟุ่มเฟือย ของที่มันจำเป็นอย่าไปใช้มันอย่าไปมีมันใช้แต่ของที่จำเป็นจริงๆก็คือปัจจัยสี่อาหารเครื่องนึ่งผมที่อยู่ราษายารักษาโรค ก, ก็ใช้แบบมินิมัมแบบใช้แบบให้มันน้อยที่สุดของให้มันถูกที่สุดของที่สุดที่สุดแต่ทำประโยชน์ได้เท่ากันเช่นเสื้อผ้าก็มีไว้สวมใสนะ่ชุดละร้อยสองร้อยมันก็สวมใส่ได้ปกปิดเอาไว้ววได้เหมือนกับชุดละสองพันละสองม ก็ทหน้าที่เช่นเดียวกันเป็นแต่แตัต่างกันตรที่คุณภาพของผ้าอยู่ที่ฝีมือของการตัดเย็บอะไรแล้วก็อยู่ที่การออกแบบรวปลายอะไรต่างๆนั่นเองแต่ประโยชน์จริงๆมันเท่ากนันเป็นเครื่องนุ่งห่มปกปิดอาไวว่าต่างๆไม่ป้องกันภัยจากความหนาวป้องกันภัยจากแมลงสัตว์กัดต่อยให้เราใช้เหตุผลในการบริโภคปัจจัยสี เราจะได้ไม่หองไปตามกระแสของทางโลกเพราะว่าต้องใช้ยี่ห้อเบลซาเซต้องใช้ชานแนลอันนี้เป็นความหลงล้วนๆไอ้ตัวนี้อจะเป็นตัวที่มาสร้างความเครียดให้กับเราเพราะเ่อเราใช้ของแพงๆล้วก็ต้องมันก็ต้องใช้เงินมากในการหาหาเงินมาใช้ของแพงๆมีต้องหามากมันก็ยิ่งเครียดมากเพรหามากมันก็มันเงินเราไปรู้อยู่แล้วมันหายากใช่ไหมยิ่งมากมันยิ่งหายากใหญ่ พยายามลดรายจ่ายอย่าไปใช้ของฟุ่มเฟือยอย่าไปใช้ของที่ไม่จําเป็นจะต้องใช้ไม่ต้องมีอย่าไปใช้ของแพงๆอย่าไปใช้ของรู้ราให้ใช้หลักเหตุผลขอ ง, ของการบริโภคของต่างๆว่าบริโภคเพื่ออะไรอาหารก็เพื่อจับความหิวอาหารห้าสิบาทอาหารห้าร้อยบาทมันก็ทําหน้าที่อันเดียวกั น, น, ก น, นกเหมือนกันเชื้อผ้านเหมือนกันที่อยู่อาศัยก็เหมือนกันที่อยู่อาศัยคอนโดร้อยล้านกับ คอนโดล้านหนึ่งก็อยู่ได้เหมือนกันหรือไม่มีไม่มีลคานซื้อคอนโดก็เช่าไปเดือนละห้าพันก็อยู่ได้สามพันก็อยู่ได้ตายไปเข้าไปไม่ได้หรอกคอนโดร้อยล้านเดี <c oughs> ๋ยต้องใช้คอร์สกิ้แบบนี้มันถึงจะตัดความคุ่มเฟั่งตัดความคลุ้มคลั่งเออเตัดความหลงไปตามกระแสของทางโลกได้โลกเขาวัดคนด้วยด้วยข้าวของเงินทองที่มีกันเนีะคนนี้คํารถยี่ห้ออะไร วันนี้ใส่เสื้อผ้ายี่ห้ออะไรคนไม่มีมอะไรต้องดิน้นบางคนที่เป็นพ่อคา้าแม่ขายบที่ต้องดิ้นซื้อทองต้องมาใส่โชว์คนหนึ่งให้รู้ตอนที่มีฐานะบางทีก็ไม่มีหรอกแต่ก็ต้องโชว์อะไม่ไปทาธุระอะไรกับเขาต้องคนก็ต้องคิดว่าไอ้คนที่มันมีฐานะเนะไม่มาหลอกลวงเราอะไรกันเรานี่มันเรื่องของโลกที่มันหลอกกันไปหลอกกันมา แล้วก็เครียดเส็มไปเครียดเมาไม่รู้จักยุจากสิ้นแล้วถามจริงๆว่าเราเกิดมาแล้วเราเราเกิดมาเพื่ออะไรอยู่เพื่ออะไรอยู่เพื่อให้นำให้รวยนะแล้ ว, ลวเราหนีพ้นความแก่ความเจ็บความตายได้หรือเปล่าตอนที่เราแก่เราเจ็บเราตายความรวยนี้มันช่ว ย, ยเราได้หรือเปล่าช่ว ย, ยเราไม่ได้นะครับแล้ ด, ดูถามตัวเองจริงๆครชีวิตของเราเนี้มีไว้เพื่อทำอะไรก็ถ้าตามที่พระเจ้าได้สงปฏิบัติก็มีไว้เพื่อใช้ดับความทุกข์ทางใจเราทีนี้ที่เกิดจากความหลงในการที่จะหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้เพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้มั น, มนเป็นของชั่วคราวให้ความสุขชั่วคราวให้เรามันก็หมดไปตายไปก็ อ, อะไรเป็นติดตัวไปไม่ได้เลย ตายแล้วมันต้ไปเกิดใหม่มันกลับมาเกิดใหม่เพราะยังมีความอยากที่จะหาความสุขแบบนี้อยู่มันออก็จะพาให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดกลับมาเครียดกับเรื่องเดียวกันนี้เครียดแล้วกลับเรื่องราวที่มาไม่รู้กี่กี่พบกี่ชาแล้วนะเนี่ยพระเจ้าจบอกน้ําตาที่เราหลังจากความเครียดเนี่ยถ้าเราเอามาสะสมมามาสะสมไว้ของแต่ละพบแต่ละชาตินี่มารวมกันเนี่ยทั้งว่ามากกว่าน้ําในมหาสมุทรเอ คิดกัแล้วกันว่าความเคลียดของเรามากขนาดไหนแล้วก็อยา่าเครียดอย่างนี้ต่อไปท่านสามได้เรายังมุ่งเป้าไปที่การหาราบยศสรรเสริญสมเป็น ท, นที่เป็นที่เป็นแหล่งของการให้ความสุขกับเราแต่ความจริงแล้วมันเป็นแหล่งให้ความเครียดกับเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวได้มาที่เนี่ครับอาจารย์ก็ไปดูอนุสาวรีย์ดูคนที่เคยยิ่งใหญ่ทั้งหลายก็ รู้สึกว่าโอ้โหยิ่งใหญ่ไปก็ตายหมดอยู่ดีตายหมดแม่นกไก่บ้านมุสไปอินนิสบอร์ไปบาสซ์เบอร์กเนี่ยบ้านของมุสซแล้วก็เคยไปมาแล้วอินิสบเนอะเวียนนาไปก็เราไปแล้วก็เฉยเยเน้ก็แค่นั้นเมื่อกี้ไปดูพระนางมาเรียเทเรซาเอาเห็นแล้วโอ้โหยิ่งใหญ่มากก็ก็ตายไปหมดอยู่ดีหกสิบกว่าก็ตายแล้วครับ อันน <icana, S 1> ี้การหายเป็นดินน้ำลงไฟหมดแล้ว uh? ครับอาจารย์ครับนี้แสดงว่าความเครียดไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นเลยใช่ไหมครับคนชอบพูดว่าเครียดเพราะคนนั้นคนนี้เพราะอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่ใช่เคียเครียดในใจเราเราไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นอย่างนั้นเราก็เลยเครียดขึ้นมาถ้าเราไม่ไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขาเราจะไม่เครียด คนอื่นต้องไป็ร้อยล้านพันล้านทาไมเราไม่ไปเครียดกับทุกคน ถ, ถ้าเราถ้าเราโทษคนหนึ่นเขาทําให้เราเครียดแล้วคนมีคนทั้งโลกนี้มันต้องทุกคนก็ต้องทําให้เราเครียดหมดนช่ไหมเราไปเครียดกับเฉพาะคนที่เราเราอยากอยากได้อะไรจากเขาเท่านั้นะเราถึงจะเครียดกับเขาคนที่เราไม่อยากได้อะไรจากเขาเราไม่เครียดหรอก ขอบพระคุณพอาจารย์ครับวันนี้น่าจะมีอีกหลายคำถามเกี่ยวกับเรื่องความเครียดครับพอาจารย์ okay. ลดความอยากนงการจะลดความอยากก็ลดค่าใช้ใจ่ายลงลดควันใช้ให้น้อยบางน้อยสันโดนอันนี้เป็นก้าวแรกของการแก้แต่ไม่ได้เป็นตัวแก้ได้หมดเพียงแต่ตัวลดปัญหาลงตัวที่แก้ได้หมดก็คือสติปัญญาตัวที่ทำใจให้สงบให้ใจมีความสุขในตัวเอง วันใจมีความสุขในตัวเองเพราใจก็ไม่ต้องการลาบด้วยสารเสริญสูงก็จะไม่เครียดกับมันครับขอกาถามจากท่านอื่นบ้างนะครับคุณพัชรวัต์ครับลูกขอโอกาสถามข้อถามครับญาติของลูกเป็นโรคอัลไซเมอร์จิตเขามีโอกาสรู้สภาวะที่เขาเป็นไหมครับคือจิตเนี่ยวันหนึ่งมันอาจจะรู้แต่ตอนนี้มันไม่รู้เพราะว่ามันขาดสติ มนไม่สติแะมันก็เป็นสิ่งที่มันก็สามารถที่จะพุ่งกลับขึ้นมาได้ในแต่จะต้องใช้เวลาให้มันมันเป็นเหมือนเป็นตัวกามอย่างหนึ่งนะการขาดสตินี่วันสักวันหนึ่งอาจจะได้สติกลับขึนมาแล้วก็ก็ยัไม่เป็นอาจารย์มันเหมือนเครื่องมือเสียใช่ไหมครับอาจารย์คือสมองมันเสียมันเหมือนเครื่อง เสไม่ใช่สมองแหละมันสติมันเสียหาสติเวลาขาดสติมันก็เลยหลงหลงนู่นนู่นจำไม่ได้ว่าทําอะไรไปเวลาทําก็ไม่รู้กำลังทําอะไรเพราะใจไปลอยไปคิดเรื่องอื่นใจมันจะลอยไปกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ในขณะที่ปัจจุบันร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ที่เขไม่รู้ว่าทําอะไรทําไปแล้วก็จาไม่ได้นรื่องนถ้าไม่สตินี่มันจะหลงอยู่ตลอดเวลา พรมันคอยฝึกสติให้อยู่กับนร่างกายตลอดเวลานให้มันจะไม่หลงไม่เลยมันรู้ว่าตอนนี้ร่างกายกำลังทำอะไรทําเสร็จแล้วมันจะจาได้พราะมันค่อยจดจ่อ ด, ดูทุกทุกปีเรียบทช่วงการขึ้นไว้จากคุณสมพรครับต้องใช้ธรรมะข้อใดถ้าคนในครอบครัวจุกจิกจู้จี้ชวนให้ปวดเสียนเวียนกล้าอารมณ์พุ่งปรี๊ดธรรมะเอากันไม่ค่อยจะอยู่ครับอาจารย์ ก็มองเขาว่าเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศดินฟ้าอากาศเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้ปลาจะลอ้อมแดดจะออกฝนจะตกน้ําจะท่วมนี่เราก็ห้ามเขาไม่ได้ก็ปล่อยเขาไปเรื่อมองเขาว่าเป็นเหมือนผลไม้ชนิดต่างๆคนนั้นเป็นส้มคนนี้เป็นกล้วยคนนั้นเป็นสับปะรดเราจะไปทําให้เขาเป็นแอปเปิ้ลทุกคนเือเป็นแปไม่ได้ครับก็ต้องปล่อยวางปล่อยให้เขาเป็นไปไม่จะจู้จี้จุดจิกก็เรื่องของเขา เราก็ไม่ต้องไปตอบคำตอบตัญหาเขาเท่านั้นเองเราทําให้เขาได้แล้วทําอะไรให้เขาได้ก็ทําไปทําอะไรไม่ได้ก็บอกว่าทําไม่ได้เขาไม่พอใจก็เรื่องของเขาไปาเขาจะเกลียดเราโกรธเราก็เรื่องของเขาไปปัญหาของเราคืออยากเย้าใจเขากลัวเขาโกรธล้วกลัวเขาเกลียดเรากลัวเขาไม่รักเราเท่านั้นเองถ้าเราไม่แคร์ถ้าอยากก็จะโกรธเราแล้วไม่โกรธเรารักเร า, รเราแล้วไม่รักเราเขาจะทําอะไรก็เรื่องของเขาไป แล้วก็อยู่เราสบายครับคุณสรัางกำเวลาเครียดจะหยุดคิดว่าเครียดเพราะอะไรเมื่อเรารู้ว่าเรื่องเครียดของเราคืออะไรเกิดจากอะไรก็เริ่มปล่อยวางครับอย่างนี้ได้ไหมครับได้เริ่มต้นให้หยุดคิดก่อนเวลามีความเครียดหยุยดก็คิดแล้วความเครียดจะบรรเทาลงหลังจากนั้นเราก็มาใช้ปัญญาวิเคราะห์ดูว่าตอนนี้เมื่อกี้นี่เราเครียดเพราะอะไรเราอยากได้อะไร แล้วไม่ได้สิ่งที่เราอยากใช่ไหมมีถามเป็นแบบอภิธรรมนิดนึงนะครับอาจารย์อกินจัญญายตนะเนวะสัญญายตนะอารมณ์เป็นอย่างไรครับอ ม, มันเป็นเรื่องชาติาราวูปชาญาก็ไม่รู้เหมือนกันเรายังแค่วูปชาญายังไปไม่ถึงอะไรนะรู้ไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร เอาแค่ดูลมหายใจให้ได้ก่อนแล้วกันไม่พูดโทรให้ได้ก่อนดีกว่ารู้เหล่านี้รู้ไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมันเป็นอารมณ์ที่ผู้ที่เข้าฌานในระดับนั้นจะใช้เป็นอารมณ์แทนที่จะใช้ลมหายใจก็ใช้ใช้อารมณ์นี้ในวาสัญญานะวาสัญญาทเป็นอารมณ์จากคุณสมพรครับการดูแลครอบครัวกับการปฏิบัติธรรม คนมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรครับก็ดูแลด้วยเหตุด้วยผลก็เป็นการปฏิบัติทำอย่างหนึ่งดูแลด้วยเหตุผลก็คือดูแลในสิ่งที่จำเป็นจะต้องให้เขาในสิ่งจำเป็นที่เขาต้องมีในสิ่งที่ไม่จําเป็นต้องให้เขามีต้องมีก็ไม่ต้องให้เขาสิ่งที่เขาจําเป็นต้องมีก็คือปัจจัยสีอันนี้ก็ต้องหาให้พร้อมส่วนเรื่องอื่นก็ไม่ต้องให้ก็ได้ ว่ามันไม่จำเป็นไม่มีก็ไม่ตายอยากได้แหวนเพชรก็ไม่ต้องให้อยากแฟนอยากได้แหวนเพชรก็ไม่ต้องให้อยากได้อ อ, อยากให้พาไปเที่ยวก็ไม่ต้องพาไปไ ม, ไม่ตายอันนั้นที่เขาไม่มีแล้วไม่ตายก็แสดงว่ญญาไม่จําเป็นอันนันที่เขาไม่มีแล้วตายเนี่ยก็ต้องหาให้เขาเขามีแค่สี่อย่างเขาปัจจัยสี่นี่นี่ก็คือการปฏิบัติธรรมไปในตัวแล้ว แต่เราจะได้มีเวลาว่างสหราับการปฏิบัติธรรมของเราไม่งั้นเมาคอยประเคนคอยมารับใช้ความอยากของเขาอยากเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอได้กเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอ ค, คุณพัฒนันครับอยากเรียนถามค่ะเมื่อไหร่เมื่อใจเราทุกพยายามปล่อยวางแต่ทำได้แค่สักพักก็กลับมาเครียดอีกจะใช้ธรรมะข้อใดช่วยครับก็ต้องวิเคราะห์ดูว่าเรา เราเครียดพ่ออะไรเราอยากมันได้อะไรเราก็ลองพิจารณาว่าสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นสิ่งที่เราสามารถมีได้ตลอดเวลาที่เราต้องการหรือไม่ถ้ามันเป็นของไม่แน่นอนเป็นของที่เราสั่งไม่ได้เราก็เปลี่ยนใจซะก็หมดเรื่องไม่แปลวามันท่านเองแล้วมันก็จบไม่มีมันเราก็อยู่ ไ, ได้แล้วอยู่ไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ร่างกายเมื่อมันถึงเวลามันจะตายเราก็ห้ามมันไม่ได้ คุณสมพัฒครับกําลังเครียดค่ะทําใจอย่างไรดีครับเพิ่งจะเสียหลานสาวไปครับเศร้าใจมากครับพยายามหยุดความคิดพยายามไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญพุโทโธพุทโธเจริญสติอย่าป่อให้ใจคิดถึงเรื่องเรื่องของหลานสาวเขาไปแล้วเขากลายเป็นดินน้าลงไฟไปแล้วเขาสบายแล้วเรากระมาทุกแทนเขาเขาไม่ทุกข์กับร่างกายของเราเรายังมาทุกข์กับร่างกาย เ, าเราเอาากกาง ตอนนี้ก็อยู่ในโลกของความฝันก็เหมือนเ้าตอนนี้ก็นอนหลับไปกุลมาทรีครับขอาการถามค่ะหากเราปฏิบัติธรรมะโดยไม่คาดหวังว่าจะบรรลุธรรมระดับไหนแต่ขอแค่กระจัดความอยากและค่ากิเลสไปเรื่อยๆสุดท้ายเราจะไปถึงระดับไหนและทราบได้ย่งไรครับปฏิบัติไปมันก็จะรู้เองนะมันอยากให้พูดนะรับประทานอาหารไปเรื่อยๆมันก็จะรู้เองว่าอิ่มอิม่อิ่มระดับไหน อินปันกลางอินสุดๆนี่มันมันจะรู้เองปฏิบัติไปแล้วกันนาบความอยากไปเรื่อยๆนั่นเราก็จะรู้เองถ้าอยากจะรู้ว่ามันอยู่ขั้นไหนแล้วก็ไปเปิดแผนที่ดูเหมือนเราเดินทางขับรถไปไหนมาไหนในสถานที่ที่เราไม่เคยไปแต่เราก็ไปตามแผนที่เราอยากจะรู้ตอนนี้เราอยู่ที่จุดไหนแล้วก็เปิดแผนที่ดูว่าตอนนี้เรามาถึงตรงไหนเรานับความอยากแบบไหนได้แล้วก็เปิดแผนที่ดูว่าตรวจดู มันจะบอกทางให้เรามันจะบอกว่าเราตอนนี้เราอยู่ในระดับไหนจากคุปพิสมพรครับคนยุคนี้ต้องเผชิญกับการเป็นอยู่ที่ไม่ง่ายนักยุคมะนาวโลละเกือบสองร้อยบาทคือยุคของแพงสุดๆมันออกุธจะโหดไม่น้อยปฏิบัติเป็นอยู่ในปัจจุบันยังไงดีครับยุคอดีเขาลําบากอะไรเยอะแยะไฟฟ้าเขก็ไม่มีน้ําประปาเขาก็ไม่มี เราได้อยู่แสนสุขแสนสบายมาบวชแค่เรื่องบาการแคสลูปกระสองร้อยบาทก็อย่าไปกินมันเลยอันนี้มันแพงเกินกําลังที่เราจะกินก็อย่าไปกินมันไม่กินมันมันก็ไม่ตายหรอกใช่รับกินข้าวเปล่าคุกกับน้ําปลาก็อยู่ได้ความอยากของเรามันไม่ยอมหยุดนะทีมันไม่ยอมใครกินอะไรต้องกินอย่างนั้นพอไม่ได้กินอย่างนั้นก็ทุกข์ก็เครียดขึ้นมาหัดปรับระดับ ปรับการกินอยองเราให้มันน้อยลงอยู่มากน้อยให้กินมันน้อยลงเขงาไหนแพงก็อย่าไปอย่าไปกินมันกินของถูกคุณสุริยาครับเกิดอขอถามคําถามพระอาจารย์ว่าเกิดจากสาเหตุใดคะการที่คนติดสุรามากๆและไม่สามารถออกได้แต่เขาเป็นคนดีมากค่ะสีนข้ออื่นปฏิบัติได้หมดยกเป็นข้อเดียวแต่เขาไม่ได้มีเรื่องเครียดอะไรนะคะทั้งหน้าที่การงานครอบครัวเงินทองครับ คุณไ่อยู่กับเขาตลอดเวลาหรือเปล่าคุณรู้ว่าเขาดีตลอดเวลาเลยคุณก็เลยเห็นีเขาตอนที่เขาไม่มาเขาก็ดีย่นีเวลาเขามาเขาทุบตีหรือด่าลูกเมียเขาคุณเห็นเขาหรือเปล่าใช่ไหมคุณไม่เคยเห็นคนเมาเเวลาคนเมาแล้วเอารวาล้วเป็นยังไงเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะตอบคําถามของคุณได้เพราะเป็นคําถามที่คุณสร้างขึ้นมาเองจากความคิดของคุณเองดนั้นการเดือดฉลานนี่ไม่ดีแน่นอน วมันจะทําให้ไม่สามารถรักษาศีลได้ที่คุณบอกศีลก็ปฏิบัติได้หมดก็ตอนที่ไม่เด้ดื่มแต่ตอนตอนตอนที่ดื่มแล้วมันรักษาไม่ได้ทุกครั้งสักข้อหนี่งยังไงคุณไม่เห็นตอนที่เขาเมาเพราะตอนที่เขาเมาก็ไม่มาโผลให้คุณเห็นเลยคุณเห็นแต่ตอนที่เขาไม่เมาตอนที่เขาเมาเป็นยังไงคุณไม่รู้เราไม่ถามคนที่ใกล้ตัวเขาดู คุณพีโกครับทําอย่างไรให้เห็นความเบื่อหน่ายจากความคิดที่คิดจนเป็นความฟุ้งซ่านครับให้เห็นความเบื่อหน่ายจากความคิดถ้าคุณเป็นคนคิดเองถ้าคุณไม่เบื่อแล้วใครจะใครจะเบื่อล่ะอันนี้คุณต้องเห็นคุณต้องเบื่อเองถ้าคุณไม่เบื่อแล้วใครจะบอกให้คุณเบื่อได้อันนี้ก็ไม่รู้จะตบอบยังไงคุณหมอรู้ไหมรู้คำตอบไหมฉันทำไห้ เห็นทํามเหนื่อยในความคิดไม่ทราบครับอาจารย์ครับน่าจะต้องเบื่อเองที่พระอาจารย์บอกครับเขาอย่างนี้เขาอาจจะเบื่อแล้วก็ได้ไหมครับอาจารย์คือเริ่มเบื่อที่จะคิดปุงสร้านแล้วแต่ว่าไม่รู้วิธีหยุดความคิดก็เห็นเห็นเห็นเห็นความปุงสร้านมันมันดีกับเราหรือไม่ดีกับเราก็แล้วกันถ้ามันดีกับเราก็คงไม่เบื่อถ้ามันไม่ดีกับเรามันก็ต้องเบื่อใช่ไหมทีนั้นที่มันไม่ดีกับเราเราก็เบื่อไม่อยากได้ไม่อยากมี สิ่งไหนที่มันดีเราก็อยากจะมีเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังเห็นความพุ่งสั้นมันดีอยู่คุณก็จะไม่เบื่อแต่ถ้าคุณเห็นว่าความพุ่งสั้นนี่ไม่ดีสำหรับคุณคุณก็จะเบื่อมันเองคุณแมวเหมียวครับถ้าเครียดเพราะโดนบูลลี่โดนดูถูกว่ามีอาชีพเป็นคนรับจ้างทำความสะอาดเราเจ้าคะเออก็พราะเราไม่อยากทําตัวเราเป็นคนทำความสะอาด คนชาติสอนว่าให้เราทําตัวเราให้ต่ำที่สุดนให้เราคิดว่าเราเป็นแฉลบเป็นคนรับใช้เป็นแม่บ้านเป็นคนรับใช้ผู้ถ้าเราทําทําใจของเราให้เป็นแบบนั้นได้เราจะไม่เราจะไม่เดือดร้อนเวลาขายข้าวบูรี่แล้วปัญหาก็คือเราไปคิดว่าเราเป็นคุณหญิงคุณนายเรก็ไม่ก็ไม่ได้เห็นเห็นตามที่เราเห็นแล้วก็เลยเสียใจแล้วก็เลยโกรธ มันเป็นความเห็นความคิดของเขาเท่านั้นเองความจริงเราเป็นอะไรมันเขาจะไปรู้เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นทำตัวเราให้ต่ำที่สุดรู้จ้าบอกทํำตัวให้เป็นเหมือนปัตถภีใครจะเหยียบใครจะ ย, ย่าใครจะถุยน้ําลายใส่ใครจะปัจฉวะอุจจาระใส่แผ่นดินก็ไม่เดือดร้อนหรอกทำตัวให้เป็นเหมือนแผ่นดินคุณอูดดี้แมนครับ ขอเรียนถามว่าสติเป็นส่วนหนึ่งของนามขันทั้งสี่หรือไม่คะหรือเป็นส่วนของจิตหรือหรือไงเจ้าคะมันไม่ได้เป็นนามขันนียมันเป็นอาการอีกอย่างหนึง่งของของของจิตนะความสามารถอย่างของจิตคือการมีสติคุณเล็กครับการทำงานในโลกเราอยากคิดทำสิ่งใหม่ๆอยากให้หน่วยงานก้าวหน้าแต่เหมือนคิดแล้วต้องทาเองทั้งหมดคะ่ะ แบบนี้เป็นกิเลสใช่ไหมคะเราควรวางใจอย่างไรคะไม่รู้จะวางใจก็อย่าไปอย่าไปอยากเลยทำตามหน้าที่มีอะไรก็ทาได้ก็ทำไปคิดว่าชีวิตนี้มันก็แค่ชั่วคราวเดี๋ยวเราดิ้นรนทำดีทำอะไรแบบไหนมากน้อยเป็นไรตายไปมัน ก, มนก็มันก็จบไปสำหรับเรา กุนรัญญาครับถ้าลูกใช้หลักมักมีองแปดเพื่อดับความเครียดความทุกข์ที่เกิดขึ้นได้องแปดที่ต้องใช้ก็คือสมาธิครับสติสัมมาสติสัมมาสมาธิทำใจให้นิ่งหยุดความคิดด้วยสติทําใจให้นิ่งให้เป็นสมาธิแล้ว ใ, ใจก็จะหายเครียดแล้วถ้าอยากจะให้หายอยากทาวาก็ใช้ธรรมาทิฏฐิสัมมาสังปโปรกครือปัญญาพิจารณาว่าสิ่ง ว่าคเครเราเกิดจากความอยากอยากได้ในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับได้ถ้าไม่อยากจะเครียดก็อยากประหยัได้ในสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้เท่านั้นเองเราก็จะหาเครียดไปตลอดคุณสมพรครับการใช้ธรรมะกับคนในครอบครัวกับการใช้ธรรมะกับคนนอกคนที่เราต้องการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมด้วยการใช้ธรรมะเหมือนกันหรือเปล่าครับ คนในครอบครวัวคือใกล้ชิดสุดแต่เราจะปรีดง่ายสุดแต่กับคนนอกก็คือคนนอกทําไมเราทนพฤติกรรมต่างๆออกมาออกจะได้มากกว่าคนในครอบครัวครับมันก็เป็นเพราะว่าเราคนนอกเราเขาตัวหนึ่งเขาก็าไม่แสดงเหมกับคนใกล้ตัวเราคนใกล้ตัวเราเขาก็มักจะขาดความเคารพในตัวเราขาดความเกรงใจเขาอยากจะพูดอะไรเขาก็พูดระบายออกมาแต่คนข้างนอก ในฐานะที่ไม่สนับสนุนกันเขาก็มีความเกรงใจเขาก็จะไม่พูดอะไรเกินเกินเลยเขาก็จะรู้จักยับยัง้งเขามีมารายาทแต่คนใกล้ตัวเราก็ไม่มีมารายาทมึงกลัวออกมาทันทีเลยแต่คนที่เราอยู่ห่าง ก, กันอยู่ข้างนอกนี่เขาจะไม่เขาจะระมัดระวังเรื่องวาจา ก, การพูดกับคนนนอกจากว่ามันเป็นเรื่องเหตุการณ์ที่รู้จั ก, กโทรศัพท์เตินเต็มท่านธัญา ขาดสติปล่อยมันออกมาแลนนี้เกิดความความแตกต่างระหว่างคนใกล้ตัวกับคนห่างห่างตัวเราคนใกล้ตัวเรานี่มันจะขาดความเกรงใจคนห่างห่างกันนี่เขายังมีความเกรงใจเ้าก็เลยไ ม, ไ ม, ไม่ไม่แสดงความอความคิดดืวยการพูดกระทําที่มันมันนุนแรงด้วยมันมันมันอยาบคายพูดง่าย แคนที่ใกล้ตัวนี้เขาไม่ไม่เกรงใจเราแล้วแต่การใช้ใช้ใช้ธรรมะก็เหมือนกันแล้วก็ต้องใช้เมตตาเราก็ต้องใช้เมตตาทั้งคนในคนในหรือคนนอกเราก็ต้องให้อภัยเขาอย่าไปทิ้งสาเขาเวลาเขาพูดอะไรไม่ดีทำอะไรไม่ดีให้มีความเมตตาแล้วก็อย่าไปทําร้ายเขาอย่าไปทําร้ายร่างกายทำร้ายจิตใจเขาให้ความสุขกับเขา น, นั ต้องใช้เหมือนกันไม่ว่าจะคนใยหรือคนนอกเราสังเกตเวลาคุณพบกับภรรยาใหม่ๆเป็นยังรเรียบร้อยไหมเอาก็พูดหวานคุณก็พูดหวานด้วยกันต้องคุยว่าต่างคนต่างเกรงใจกันนะแต่พอมาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันมันเห็นใจเห็นพงกันเลยม่ไ <laughs> ม่ม่ับเกรงใจกันแล้ว <laughs> เป็นเกงกัวครับอาจารย์<ส><ญ>ค<น>ุณเข <ide> ่งานที่ทําอยู่มั่นคงทางโลกแต่ทําให้ศีลสมาธิปัญญาถดถอยและถอยหลังเป็นทุกข์ใจเราควรลาออกใช่ไหมครับก็แล้ว <ณ S 2> <isas> แต่ว่าเราต้องการอะไรนถ้าเราต้องการความเจรินทางโลกเราก็เราก็ต้องไปทางโลกแต่ถ้าเราต้องกา ร, การทาี่จะดับความทุกข์ใจเราก็ต้องไปทางธรรมไปทางศีลสมาธิปัญญา คุณนภาครับหนูเพิ่งลาศิกขาจากการบวชพรามมาเมื่อวานค่ะเวลาได้ฟังธรร ม, มาจากพระอาจารย์ปลดล็อกทุกคำถามที่อยากจะถามทุกครั้งค่ะขอบคุณพระอาจารย์ครับนั่นนีธทรแล้วคุณรัญญาครับตั้งแต่ฟังธรรมของหลวงพ่อเมื่อวันที่12บสอมีนา หกหกก็เพิ่มฝึกนั่งสมาธิตอนตื่นนอนเลยตั้งแต่ปลุกตีสี่ยี่สิบเริ่มนั่งยี่สิบนาทีรู้สึกดีมากๆเลยสามารถทําได้ในทุกๆวันเจ้าค่ะใช่ถ้าเราทําริงอยากจะทําจริงๆมันทําได้เราไม่ทํากันเองเมื่อไม่ทํามันก็มันก็เหมือนก็ไม่ได้ทํำสักทีเมื่อก่อนเราก็เหมือนกันเมื่อก่อนเราก็ไม่เคยทําเลยหาหนังสือทำม า, ม า, มาหลายหลายเดือนแล้วก็ไม่เคยทำสัาทีวันหนึ่งมันกเกิดความฉุกคิดขึ้นม า, มาเออเรา อ่านเรื่องทำสมาธิมาต้องหลายเดือนแล้วทาไมเราไม่นั่งสถิตก็เอามตอนนั้นเลยนะพอเริ่มนั่งมันก็นั่งนั่งมาได้เรื่อ ย, ยตลอดมันต้องมีจุดเริ่มต้นเราต้องหาจุดเริ่มต้นให้เจอแล้วมันก็จะพาเราไปสู่การก้าวหน้าต่อไปคุณสุครับขอเมตตาอธิบายการเกิดดับของจิต วงเด็กวิญญาณในขันห้ากับการไม่เกิดดับของจิตพระอาหารหันต์ถ้าไม่ให้จิตพระอาหารหันต์จะมีเกิดดับอยู่หรือไม่เมืเ่อจุตติหรือตายหรือปฏิสนธิครับคือขันสี่ในในจิตเนี่ยวิทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับตามตามสัมผัสที่มันมาสัมผัสเสียงมันมาปุ๊บแล้วมันก็หายไปเสียงที่มาปุ๊บแล้วเสียงเสียงนี้ก็หายไปเสียงใหม่เข้ามาอันนี้ก็เรียกว่าเกิดดับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงการรับรู้เสียงรูปเกียนรถที่มันมาสัมผัสมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันก็ทําทำให้วิญญาณสัญญาสังขารเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามสัมผัสที่ไปรับรู้ส่วนตัวจิตเองนี่ตัวจิตมันไม่มีวันตายมันไม่มีวันสูงมันไม่มีวันเกิดเําไม่ไม่เกิดไม่ดับของจิตก็คือไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามไม่มีวันไม่มีวันดับ จิตของพวกเราคือปุถุชนมันก็ไม่ดับมันไม่หายไปไหนมันไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่จิตของพระสารกับของพระเจ้านี่มันดับกิเลสท่านนี้ที่มันตางจากปุถุชนจิตของปุถุชนนี่ยังมีกิเลสอยู่แต่จิตของพาาระสารของพระเจ้านี่ท่านดับกิเลสได้หมดแล้วดับความโอภความโกรธความงที่มีอยู่ในจิตได้หดยังไม่มีการมาเกิดเพราะเหตุ ท, ที่พาให้พลาด ท่นทำให้จิตมาเกิดก็คือกิเลสความอยากความโลภต่างๆนี่พระอาจารย์ครับอย่างนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณยังอยู่ครบไหมครับก็พระพุทธเจ้าหล่อจากตรัสรู้ก็ยังอยู่การแสดงธรรมก็ต้องใช้ใช้สัญญาสังขารใช้วิญ ญ, ญาณนี่เรคุยกันนี่ก็ต้องใช้ใช้นามขันคุยกันได้วิญ ญ, ญาณก็ไปรับรูปรับเสียงมาแล้วสังขารก็ปรุงแต่งแล้วก็สั่งให้ร่างกายพูดกับไป มันก็มีการเรียรู้มีการทํางานอยู่ตลอดเวลาตราบใดที่ยังนั่งกายยังไม่ตายถ้าร่างกายตายแล้วทีเนีย้ยนามังขันมันก็จะหยุดทํางานแต่ว่าไม่ตายมันไม่หายมันก็ยังสามารถจะปลุกขึ้นมาได้ถ้ามันต้องการจะใช้ถ้าจิตต้องการจะใช้สัญญาสังขารเมื่อไหร่ก็ยังสามารถปลุกขึ้นรื้อเรียกขึ้นมาใช้ได้เหมือนเดิมเช่นเอ ที่หลวงปู่มั่นนั้นเอามามีพระพุทธเจ้ามาแสดงทําให้อันนี้ก็อาจจะเป็นจิตของพระพุทธเจ้าที่ท่านปลุกสังขารให้ส่งกระแสมาหาหลวงปู่มั่นก็ได้นี่นามการของพุทธเจ้าของว่ารหันก็ยังมีอยู่เหตุแต่ว่าจะไม่ได้ทํางานโดยปกติจะไม่ทํางานแล้วแต่อาจจะมีเหตุที่อาจจะทําให้ท่านทํางานเพราะว่าอาจจะมีอะไร ที่มากระตุ้นให้ท่านไปไปไ ป, ไปติดต่อกับนุ่จิตของผู้อันนี้ไม่รู้นะอันนี้อาจจะเป็นการพูดแบบคาดกะรนไปตามตามเรื่องราวที่ได้ยินได้ฟังมาคุณเลครับ งานการไม่มั่นคงหากินวันต่อวันมักมีความกังวลว่าถ้าพ่อป่วยหรือตนป่วยแล้วจะไม่มีเงินรักษาแม้จะรู้ว่าเป็นเรื่องที่ยังมาไม่ถึงไม่ควรนึกถึงแต่มันก็ยังวกมากังวลเรื่อยๆทำอย่างไรกับใจดีคะก็มีสามสิบาทมันก็รักษาได้ทุโกโรคก็ไม่ใช่นะก็รักษาไปตามมีตามเกิดอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไปแค่นั้นเองให้มีร้อยล้านพันล้านมันก็ถึงเวลามันจะไปมันก็ไปได้มันก็ไปเหมือนกันะ อย่าไปกังวลเลยเรื่องความแก่ความเจ็บความตายมันเป็นอัตโนมัตินะเราไปเบรกมันไม่ได้หรอกเร า, า จ, จะประเวงเวลามันได้เท่านั้นเองมีเงินเยอะก็ประเวงเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายได้ยื่นไปได้แต่มัก็ทําร ม, มาถ้าอยู่แบบคนไข้ติดเตียงอยู่ไปทําไมครับแบบพวกขอทานอย่างเง่าตายแบบพวกขอทานเนี่ยตายเร็วเพราะไม่มีใครมาเหลียวแลไม่มีใครเหลียวแลนอนวันสองวันก็ ก็ตายแล้วไม่มีข้าวกินไม่มีใครมาเหนี่ยวแล้วก็นอนตายข้างถนนไปแต่มันไม่ต้องมันไม่ยืดเวลาความทุกข์ให้มากเกินไปครับอย่าไปกังวลเลยเรื่องความเจ็บความตายนี่มันเป็นเรื่องที่มันจะต้องเกิดขึ้นกับทุกคนเรากังวลกับวิธีที่จะทำไงกับมันให้เราไม่ทุกข์กับมันดีกว่าวิธีไม่ทุกข์ก็คือทําใจให้สงบแล้วก็อยอมรับความจริงว่าร่างกายต้องเจ็บต้องตาย ถ้ปล่อยมันเจ็บปล่อยมันตายไปเท่านั้นเองแล้วใจก็จะไม่ทุกข์กับมันคุณสมพรครับบอกว่าโยมได้อ่านหนังสือธรรมะของพระอาจารย์ยี่อ่านยิ่งตกผลึกทางปัญญาสามารถประยุกต์ความรู้ความเข้าใจปัญญาในธรรมของพระอาจารย์มีความต้องการปัญญาทางธรรมของพระอาจารย์อยู่เรื่อยๆเพราะปัญญาช่วยให้โยมมีแสงสว่างแท้จริงในขณะที่รู้ธรรมบางทีเพียงรู้ยังสู้ไม่ได้เกิดไม่ได้กับปัญญา ปัญญามันเข้าไปในจิตวิญญาณพร้อมนำปัญญาที่ได้รับเอาไปปฏิบัติทันทีอย่างนี้โยมต้องอ่านหนังสือธรรมะและฟังธรรมะของพระอาจารย์อย่างต่อเนื่องเพราะอุดมไปด้วยปัญญาอยากได้ปัญญาเยอะๆต้องทำยังไงบ้างมีปัญญาตัวเองจึงจะเกิดได้เองครับก็ต้องหัดคิดคิดแบบคิดตัวด้วยตนเองว่าคิดตามตามหลักธรรมที่เราได้ศึกษามาคิดด้วยเหตุด้วยผลคิดตามหลักอริยสัจสี่ วความทุกทัลายทั้งปวงนี้เกิดจากความอยากของเราแล้วาจะอยู่ความอยากได้เราก็ต้องเห็นสิ่งที่เราอยากว่าเป็นตายรักษเท่านั้นนี่คือหลักของความคิดให้เราคิดแบบนี้แล้วมันก็จะขยายความไปได้กว้างขวางเกี่ยวกับทุกเรื่องทุกเรื่องมันก็เป็นตายรักหมดมมมไม่ว่าจะเป็นราบยุทธสารเสริดไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลีดไม่ว่าจะเป็นบุคคลนั้นบุคคล น, นี้มันก็เป็นตายรักเท่านั้นเพียงแต่เรามองไม่เห็นมันนั่นเองเราไม่คิดเในนั้น การคิ ด, ค, ดคิดให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นบุคลคลหรือเป็นอะไรก็ตามมันเป็นตาจรักั้งแล้วความทุกข์ขเราก็คือเกิดจากการที่เราไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่เมื่อเราไม่สามารถทําให้เขาเป็นอย่งที่เราอยากได้เราก็ทุกใจเลยแห้อานคิดด้วยตัวเองแล้วต่อไปเราก็ไม่ต้องไม่ต้องไปพึ่งความคิดของคนอื่นอยาเริ่มต้นถ้าเราคิดไม่เป็นก็อ่านไปเรกกื่อยๆก่อนก็ได้แต่ไม่ ของอันนี้มันอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าจะมันซึมซาบเข้าไปในระบบของเราตอนนี้ระบบของเรามันคิดไปตามความหลงคิดไปตามความอยากเห็นอะไรสวยเห็นอะไรชอบก็อยากได้ไม่กคยคิดว่ามันเป็นตายรักเลยครับพยายามล้อนสอนในความคิดแเราพอเห็นว่าอะไรเป็นสุขต้องบอกสุขจริงหรือเปล่าถามด้วยเองมันไม่ไมันเป็นตายรักไม่ใช่มันเป็นทุกข์ไม่ใช่ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงไม่ใช่ย ต้องย้อนสอนของความย้อนความคิดเราดูถ้ามันเห็นอะไรดีแสดงว่ามันหลงอะเห็นว่าเป็นสุขแสดงว่ามันหลงอ่ะคุณพุทธานุสติครับทําอย่างไรใจจะไม่ยึดติดในเงินทองครับก็จากไปให้หมดทําทานให้หมดอย่างพระเจ้ า, จาสละราชสมบัติไปได้รับประกาศน่า ไ, ไม่ติดแล้วก็ไปบวช คุณวันเพ็ญครับการเรียนถามว่าฝึกท่องอาการสาสิบสองพร้อมนึกถึงภาพอสุภะเพื่อให้จิตวางร่างกายตอนป่วยว่าไม่ใช่เราทําสมาธิจิตนิ่งเห็นภาพกระดูกไม่ชัดเป็นเพราะนึกภาพบ่อยใช่ไหมเจ้าคะจิตนิ่งแต่เห็นภาพไม่ชัดคำที่ถ้ามันถ้ามันนิ่งมันมันจะไม่เห็นอะไรเลยนะถ้าจิตมันนิ่งมันสงบมันจะว่างมันจะเหลือแต่ความว่าง ชาติทายังเห็นเห็นภาพไม่ชัดอยู่แสดงว่าจิตเรายังไม่สติตเรายังไม่ไม่ดีพอก็ต้องพยายามนึกภาพเหล่านั้นให้มันชัดขึ้นชัดขึ้นนึกภาพบ่อยๆมันถึงมันถึงเห็นไม่ชัดถ้านึกบ่อยๆต่อไปมันก็จะเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นอภัยด้วยคุณต้าครับพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกใส่บาตด้วยอาหารและใส่ปัใจจัยในบาตด้วย จะบาปไหมคะที่ลูกใส่เงินในบัตรเพราะคิดว่าพระท่านต้องมีค่าใช้ใจใ่ายอื่นเจ้าค่ะไม่บาปหรอกเพราะจะว่ามันมันมันมันไม่ถูกพระวินยัยคือพระที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่สามารถรับเงินกับมือของตอนได้ด้วยกับภาชนะที่ตนเองถือมาได้ตามหลักที่ถูกต้องก็ต้องถามท่านว่าจะถอยปัจจัยนี้จะมอบไว้ให้กับใครดีแต่สมัยีนยุคนี้รู้สึกพระวินัยข้อนี้จะถูกจะถูกยกเลิกไ ป, ปหมดแล้วนะ าท่านทุกเนืองแทก็จะ ร, ร, ร, ร, รับรับรับรับรับปัจจัยทั้งนั้นคุณสมพรครับอยากเป็นคนรวยเพราะจะได้เอาเงินไปช่วยเหลือคนที่ยังลำบากตามกำลังของตัวเองคิดอย่างนี้พอจะถูกต้องถูกธรรมแล้วหรือยังครับคืออยากมีเงินแต่มีเพื่อใช้อย่างชี้ตัวเองและช่วยเหลือคนอื่นที่ต้องดูแลครับไม่ถูกหรอกพราะมันก็เป็นความอยาก ถ้าเกิดเราไม่รวยทำยํำไงเราก็ทุกข์ไปเลยเราอยากจะรวยแต่เราไม่รวยเราก็ทุกข์นะดังอยากไปคิดแบบนี้ให้คิดว่าถ้าเรามีเงินเหลือเราก็ช่วยเหลือคนอื่นไปแต่ถ้าเราไม่มีเงินเหลือก็ช่วยไม่ได้ก็ปล่อยให้ไปเป็นตามบุญตามกรรมเข้าไปให้คิดอย่างนี้ดีกว่าเราใจเราจะได้ไม่ทุกข์เองก็ต้องมาดิ้นรนหาเงินมันก็ทุกกับการหารเงินพอ ม, มาหาเงินได้ก็ต้องไปเอาไปช่วยคนอื่น พมดก็เริ่มมาหาใหม่แล้วก็แ ล, วกแล้วก็เครียดอยู่กับการหาเงินใช้เงินอย่างนี้ไปคุณพริตตี้ครับมีคําถามถ้าเป็นคนที่ขี้อิจฉาขี้น้อยใจชอบเปรียบเทียบต้องทําอย่างไรให้หายจากอนุสัยแบบนี้คะก็มองให้เห็นว่าคนเรานี้มีอดีตมาไม่เหมือนกันในความรู้ความสามารถมีบุญมีบารมีมาไม่เท่ากัน บางคนสร้างบุญบารมีมากเขาก็จะเจรินก้าวหน้ามากคนที่ไม่ได้สร้างบุญบารมีมากาก็จเจรินก้าวหน้าน้อยก็ต้องยอมรับตามสภาพความเป็นจริงแล้วกันเขาจะเก่งกับเราดีกับเราก็เป็นเรื่องของเขาไม่ว่าจะให้เราสบายใจหน่อยก็มาคนที่เขาด้อยกับเรามากก็ได้คนที่เขาด้อยกับเราก็มีเยอะแยะ คุณเลสิตาครับการฝึกอาณาปาระหว่างดูลมหายใจกับดูร่างกายที่หายใจมันต่างกันไหมคะหลายครั้งนั่งแล้วพอเลิกนั่งจิตมันหนักๆฟังพาท่านหนึ่งบอกว่าทําผิดเลยสับสนว่าต้องวางจิตวางใจอย่างไรครับไม่มเข้าใจว่าดูลมหายใจกับดูร่างกายหายใจมันต่างกันทำไมมันต่างนะไม่เข้าใจความหมาย ไม่เข้าใจเป็ือนกันครับอาจารย์ดูลมเหมือนก็เห็นแต่ลมไหมครับอาจารย์หรือว่าถ้าดูร่างกายหายใจแบบจะเหมือนมองร่างกายเราเองอ่ะนั่งหายใจอยู่จากข้างนอกนี้รนครับอาจารย์ครับเอ่อไม่ใยังไงมันก็ก็ทําไมไม่ทําตามที่ผู้เจ้าสอนให้ดูลมหายใจที่ปลายจมูกือที่หน้าท้องอันะวิธีที่ถูกต้องอยู่ตรงนั้นทําให้ดูลมเข้าลมออกที่ปลายจมูกดอดู ดูการขึ้นลงของท้องที่เรียกว่ายุบหน้อพองเนอก็ได้นี่คือการการภาวนาที่ใช้ลมหายใจเป็นเป็นเป็นการฝึกไม่ว่าอาณาปานสติครับคุณนิตยาครับถ้าเขาตะโกนด่าลูกเลี้ยงแบบเสียงดังมากทำอย่างไรดีครับสงสารลูกวางใจอย่างไรครับก็เป็นกรรมของลูกไปเราก็ห้ามเขาไม่ได้ จกคุณเลสิตาครับเป็นเขียนนิยายเป็นงานโลกกระทำ ม, มีเรื่องรักรักใคๆ่บาปไหมครับไม่บาวนะมันก็เป็นเรื่องของเป็นเรื่องของการใช้ความคิดสร้างสารรค์เรื่องเขียนไปแต่งไปอาจจะเป็นเรื่องที่ถ้าไม่ตรงกับความเป็นจริงก็มันก็เป็นการเป็นการชักทำให้คนคิดไปในทางที่ผิดแทนเนี้ยไม่ใช่เป็นสัมมาทิฏฐิ เขียนในเรื่องที่เป็นธรรมะเรื่องโลกของความเป็นจริงนี่มันก็เป็นมันก็เป็นธรรมะมันก็เป็นการเสริมบัญญัติให้กับคนอ่านแต่ถ้าเขียนไปในทางจินตนาการที่ไม่ไม่ได้ตรงกับหลักของความเป็นจริงมันก็สอนให้คนคิดไปนในทางความหลงนั่นคุณมนุษย์ความจําจากการอ่านและฟังผมว่าไม่เหมือนกับการปฏิบัติเองใช่ไหมครับ คือในเบื้องต้นเราก็ต้องเราก็ต้องศึกษาก่อนถ้าเราไม่รู้วิธีปฏิบัติเราก็ต้องฟังหรืออา่านก่อนให้รู้ว่าวิธีปฏิบัติเป็นยังไงเราถึงจะไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องถ้าเราปฏิบัติเองโดยที่เราไม่ได้ศึกษาวิธีปฏิบัติเราก็อาจจะปฏิบัติผิดได้คุณสีฟ้าครับช่วยเหลือคนให้พ้นทุกแต่เราต้องมาทุกแทนต้องใช้ธรรมะอะไรมาช่วยครับ ก็ต้องช่วยเราให้พ้นทุ ก, ก่อนแล้วเข้าไปช่วยคนอื่นให้พ้นทุกให้เราหัดไว้น้ำให้เป็นก่อนก่อนที่จะไปช่วยคนที่เขาตกน้ำถ้าเราไว้น้ำไม่เป็นแล้วให้นคนตกน้ำล้วก็กรดลงไปช่วยเขาแล้วเราก็จองน้ำตายนะแล้วก็ทําให้เขาตายไปกับเราด้วยเราต้องช่วยตัวเราเองก่อนพระเจ้บอกให้อยางประโยชน์ของตนให้ถึงพร้อมแล้ค่อยไปยางประโยชน์ให้แก่ผู้ทําประโยชน์ของตนทําตนให้ให้หลุดพ้นจากควาทุกข์ก่อน ให้เป็นพาาระาอรหันต์ก่อนแล้วพายไปสอนให้คนอื่นหยคนเป็นพระอรหันต์ต่อไปคุณแคทครับช่วงเวลาเราโมโหจะมักจะดึงอารมณ์ไม่ทันมีวิธีไหมครับเพราะาเราไม่ฝึกสติไว้ก่อนในตอนนี้เราควรจะเริ่มฝึกสติเริ่มหัดทําพุโทโธพุทโธอยู่เรื่อยๆทํางไม่มากทั้งวันท่องคืนให้มันเปให้มันติดเป็นนิสัยพอเวลาเกิดอารมณ์ขึ้นมาเราก็ใช้พุโทโธได้อย่างทันทีทันได ก็สามารถระงับดับอารมณ์ได้อย่างรวเดเร็วเหมือนกับการที่เราเตรียมเครื่องฉีดฉีดฉีดป้องกันเพลิงเนี่ยก็มีเครื่องฉีดยาฉีดน้ําป้องกันเพลิงติดไว้ตามสถานที่ตา่างๆก็ติดไว้เพื่อเวลาเกิดไฟก็จะได้รีบหยิบ ม, มาใช้ได้ทันทีนการใช้นจริญจิตบริการพุโทโธนี่ก็เป็นการติดเครื่องดับอารมณ์ในใจเราถ้าเราไม่เตรียมไว้พอถึงเวลาเราไม่รู้พุโทโธอยู่ไหนหาไม่เจอนึกไม่ออก แล้วเราหมั่นพุโทโธพุโทโธอยู่เรื่อยมันจะติดฝังอยู่ในใจเราพอ okay. เกิดอารมณ์ขึ้นมาปั๊บแล้วก็ใช้พุโทโธพุโทโธได้ทันทีคุณสมพรครับคำศัพท์บาลีพื้นฐานเกี่ยวกับเกี่ยวข้อธรรมะที่คารวะควรทราบที่ควรมีที่เอื้อต่อการนำมาปฏิบัติควรเป็นคำใดดีครับทานศีลสมาธิปัญญาพอจะได้หรือเปล่าครับพอได้ก็เลยให้ลูกแค่สี่อย่างนี่ก็บอกทานศีลสมาธิปัญญา คุณทัศนีครับพระอาจารย์ครับเวลาทําสมาธิกําหนดลมหายใจพุโทโธแล้วทําไมรู้สึกว่าหายใจไม่สะดวกครับทั้งที่เราหายใจเป็นปกติครับเออมันอาจจะเป็นเพราะออกิเลสของเรามันต่ อ, ต, อต้านเพราะมันถูกบงังคับให้ไม่ให้ไปคิดอะไรให้อยู่กับพุโทโธให้อยู่กับลมหายใจมันก็เลยมาสร้างความรู้สึกอึดอัดขึ้นมาได้เพราะเราไม่เคยชินถ้ารู้สึกว่าการหายใจมันเป็นปัญหาก็อย่าไปดูลมหายใจในเบื้องต้น ให้คำวันครับพุโทโธพุโทโธอย่างเดียวไปก่อนก็ได้หรือใช้การสวดมนต์ไปก่อนก็ได้คุณสิริออนครับเวลาเครียดมันยากที่จะจัดการความคิดหรือดึงสติกลับมาการนั่งสมาธิช่วยได้ค่ะแต่กว่าจะนั่งให้ใจสงบมันใช้เวลานานขอพระอาจารย์เมตตาครับว่าสติเราน้อยไงถ้าเราฝึกสติบ่อยๆฝึกสติเื่อยๆให้สติมีสติมากๆเวลาที่เราจะหยุดความคิด ในเวลานั่งสมาธิมันจะสงบได้เร็วได้ง่ายคุณพวงพกาครับคนที่กำลังจะตายแล้วเอาเงินใส่มือสามารถเอาไปใช้ในชาติหน้าได้ไหมครับไม่ได้หรอได้ก็ไดีเสียธีก็ได้เอาเใส่ลงไปด้วยเลยอาจให้มัเต็นที่เลย คุณนันประพัด์ครับเมื่อมีกิเลสความอยากเกิดขึ้นแล้วเราก็พิจารณาจนเราไม่ตามใจกิเลสแบบนี้เป็นการปฏิบัติธรรมโดยใช้ปัญญาไหมครับหรือว่าการเป็นการใช้ปัญญาทางโลกครับก็เป็นใช้ปัญญาถ้ามันหนยุดกิเลสได้กนะ็ถือว่าเป็นปัญญาทางธรรมคุณวิทิตครับตอนนี้ลูกกำลังขึ้นม .6 เป็นคนเรียนเก่งที่ผ่านมาเขาอยากเรียนหมอมาตลอด แต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนใจไม่อยากเรียนหมอแล้วผมรู้สึกเครียดครับขอรักธรรมะจากพระอาจารย์เพื่อรักความเครียดครับเอออยากให้เขาเรียนต่ออยากให้เป็นยินเรียนหมอต่อเราก็ไม่เรียนหมอต่อแล้วก็ผิดหวังล้วก็เครียดเราก็ต้องปรับใจแเราตามเขาไปเมื่อเขาไม่อยากจะเรียนหมอแล้วก็ต้องยินดีไปกับสิ่งที่เขาอยากจะเรียนแล้วก็จะไม่เครียดอะลูกอยากจะเรียนอะไรอยากจะเรียนวิศวะเลยเรอก็อยากจะให้ลูกเรียนวิศวะมันก็ไม่เครียดน ถ้าเราอยากในสิ่งที่มันเป็นไปได้แล้วเราจะไม่เครียดถ้าเราอยากในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้มันก็จะทให้เราเครียดคุณมาริสาครับคนที่มีความทุกข์ไปสะดเดาะเคราะห์หรือทําบุญทําทานความทุกข์ก็ยังมีอยู่กับเราเหมือนเดิมเราต้องพึ่งทำและพึ่งตัวเองใช่ไหมคะใช่เราต้องใช้สติใช้ปัญญามาหยุดความต้นเหตุ ข, ของความทุกข์ก็คือความอยากต่างๆท่านั้นเอง คุณคริสครับถ้าเราจะภาวนาแบบมรณสติเราจะเปลี่ยนคํำบริกรรมจากพุทโธเป็นคําบริกรรมว่าอะไรครับก็ตายไงมรณะก็คือความตายเลยทว่าเกิดมาแล้ต้องต้องตายเป็นธรรมดาไม่ตพ้นความตายไปไม่ได้หรือตายตายตา ย, ตายก็ได้คุณคณนอ์ครับ ถ้าเรายุติการรักษาหมาของเราเพราะเราไม่มีเงินที่จะรักษาแล้วที่ผ่านมาก็หมดเงินไปเยอะจนเงินไม่พอแล้วแบบนี้ถือว่าผิดศีลข้อหนึ่งและเป็นบาปไหมครัเจ้าคะ่ะไม่เป็นครับมันเป็นการเรื่องของการที่เราขาดความสามารถที่จะไปช่วยเขาได้ทั้งนี้คุณปัทมาวดีครับวิธีที่ดีที่สุดที่จะให้จิตหยุดปรุงแต่งให้เราเครียดคือทําอย่างไรเจ้าค้านอกจากพุโทโธครับ ก็ใช้อย่างอื่นก็ได้อาการ3ท่องอาการ312ก็ได้หรือสวดอิติปิโสไปร้อยจบก็ได้ก็มีหลายวิธีหรือใช้การฟังเทศฟังธรรมอะไรก็ได้บางคนนั่งฟังธรรมสักชั่วโมงเข้าใจก็แล้วก็หยุดคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับเรื่องที่ทําให้เครียดได้นหนึ่งคับคุณเลสิตาครับพยายามบอกพ่อให้รักษาศีลพ่อทําได้ทุกข้อยกเว้นข้อสุดท้ายพ่อบอกว่าดื่มเบียเวลาสองกระป๋องเพื่อให้หลับ แกบอกสติไม่ขาดไม่ได้ดื่มให้เมาควรอธิบายกับพ่ออย่างไรดีคะก็มันเรื่องของพ่อก็เป็นอธิบายท่านทำไมเมื่อท่านไม่ยอมไม่อยากไปยุ่งกับเขาเป็นเรื่องของเข า, ขเขาคุณปิ่นแก้วครับตั้งแต่ศึกษาธรรมะจากพระอาจารย์และปฏิบัติตามรู้สึกใจเย็นลงถึงแม้จะไม่ได้ร้อยเปอร์เซนเพราะสติไม่แข็งพอ แต่ก็สามารถดึงสติกลับมาได้ตั้งแต่ปฏิบัติอยากบวชชีแต่ทว่าติดเรื่องดูแลไม่อยากบวชชีก็ยังอยู่บวชไม่ได้ดไไดไก็นยังไม่ต้องบวชก็ได้ให้ปฏิบัติตามที่เราเท่าที่เราทํ า, าได้ไปก่อนแล้ววันหนึ่งข้างหน้ามันอาจจะเห็นความจะเป็นมันก็บวชได้ คุณสัมพันธ์ถามคล้ายๆคนมัธยตกี น, นะครับอาจารย์บอกว่าพ่อดื่มสุราทุกวันขนาดเข้าโรงพยาบาลแต่ก็ยังไม่เลิกทุกคนเตือนแล้วกับผมควรปล่อยวางอย่างไรดีครับอก็อเป็นเรื่องของพ่อเขาเป็นความสุขของพ่อเขาเราจะไปะยักยั้งเขาทำไมเมื่อเขาเป็นคนที่ได้ความสุขแล้วเขาเป็นคนที่จะต้อรับผลกระทบจากการดื่มสุราเขาก็ยินดีที่จะรับผมมันไม่ใช่เรื่องของเรา คุณมนธนาครับขอข้อคิดเรื่องการพูดจากขานในความเข้าใจการพูดตรงไปตรงมาคือการพูดความจรงิงแต่ในบางครั้งเราไม่ควรพูดจาตรงไปตรงมาหรือคะเพราะมีคนบอกว่าตรงเกินไปครับเราก็ต้องดูผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการที่เราพูดตรงไปตรงมาถ้าพูดไปแล้วทำให้คนอื่นเขาไม่สบายใจถ้าเรารเลี่ยงได้ก็อย่าไปพูด คุณศิริศักดิ์ครับหากคุณพ่อเสียชีวิตจิ ต, ต, ตสุดท้ายท่านไม่ได้ฝึกภาวนาแล้วสมมติท่านลงนรกจะมีบุญไหนที่ทําแล้วท่านพ้นกรรมนี้ไวที่สุดครับเ อ, อไม่ต้องมีบุญหรอกอยู่ใ น, นโลกเี้พอมันบาป ท, ที่ทําไปมันหมดมันก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เหมือนคนไปติดคุกติดคุกมันก็มีมีกำหนดเวลา20ปี30ปีนับแต่โทษหนะักเบาพอได้เวลาที่ที่พ้นโทษมันก็จะพ้นออกมาเอง เวลาตายเวลานี้ไปทําอะไรไม่ได้นะทำได้ตอนที่เรายังมีชีวิตยอยู่ถ้าคิดว่าตอนนี้เราทําบาปมากรีบทําบุญให้เยอะๆก็ได้แล้วถ้าบุญมันมีมากกว่าบาบาปก็ยังจะลงโทษเราไม่ได้เพราะบุญมันจะให้ผลกับเราก่อนคุณเป๊ปครับถ้านั่งสมาธิแล้วตัวหายไปตัวหายไปอยู่ในอากาศหาพุทโธไม่ได้ต้องเติเงินจิตยังไงครับ ก็ให้ดูเฉยๆไปถ้า ม, มีสตินะถ้ามันมีสติก็แสดงว่าหลับไปถ้ามีรูปตัวหายไม่มีอะไรเหลือก็เหลื อ, ลอแต่ความว่างก็ให้อยู่กับความว่างไปพยายามรักษาใจให้อยู่ว่างๆอย่างนั้นไปนานๆคุณอิงนภัสครับคเครียดกับระบบการศึกษาไทยต้องเปลี่ยนอะไรดีครับหนึ่ชั้นชาติเนี่ยจโรยประเทศห น, นึ่ง คุณขวัญครับโยมขอถามเรื่องการรู้เขาไปพิจารณาในร่างกายทีละส่วนสแกนตามส่วนต่างๆจุดประสงค์เพื่ออะไรและทําอย่างไรครับต่างจากพิจารณาอุปภะอย่างไรครับและสมควรทําเมื่อไหร่ครับก็คือการศึกษาว่าร่างกายทําไปอะไรบ้างเหมือนกับเรามีของมีคนก็ส่งของมาในในกล่องใบหนึ่งก็ห่ออย่างดี เราก็ต้องเปิดดูใช่ไหมในกล่องนี้เขาส่งอะไรบาเช่นเราไปซื้อของที่เขาเรียกว่ะของออนไลน์ที่แบบว่ากล่องรวมเนี่ยกล่องสุ่มนะครับกล่องสุ่มเราก็อยากจะรู้ว่ากล่องสุ่มมีอะไรบ้างเราก็ต้องแกะกล่องมาดูอ๋อมนู่นมีนี่ก็เช่นเดียวกับร่างกายเราเนี้ยเราได้ร่างกายมาก็เปเหมือนกล่องสุ่มเพราะมันเรามองไม่เห็นข้างในนี่ว่ามีอะไรบ้างมันมีหนังหุ้มห่อมาอย่างดีเลยมีเนื้อมีหนังเมถ้าเราอยากจะรู้เราก็ต้องผ่าผ่า พ่าอกผ่าผ่ า, าท้องออกมาแหวกมันออกมาดูอันนี้เราทําไม่ได้เพราะทาแล้วมันจะตายเราก็ต้องอาศัยการไปผ่าอกผ่ท้องของคนที่ตายแล้วแทนแล้วเขาก็จะแล้วแล้วก็จะมีการถ่ายรูปออกมาให้เราดูกันอ่าวมาแล้วจะได้เห็นกระดูกเห็นซี่โครงแล้วก็เห็นภายในซี่โครงก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีไต อันนี้เป็นการศึกษาให้เราเข้าใจถึงธรรมชาติของร่างกายที่เราที่เรามีอยู่เป็นอยู่ทุกวันนี้มันเป็นอะไรกันแน่มันสวยงามอย่างที่เราคิดหรือเปล่าหรือมันไม่สวยงามเลยเพราะถ้าเรามองไปเข้าไปที่ใต้ผิวหนังแล้วอันนี้เป็นการศึกษาเพื่อให้เราละความหลงในเรื่องของความสวยความงามของร่างกายเพื่อจะได้ไม่ทําให้เราเกิดการมาลงเวลาที่เราเห็นร่างกายของผู้ เวลาเราเห็นร่างกายของคนถ้าเราเป็นหล ง, งคิดว่าเป็นร่างกายที่สวยงาบ น, น่ารักน่าเอ็นดูนี่นะมันก็จะทําให้เราเกิดการมา่งมีขึ้นมาแต่พอเรานึกถึงของเขาที่อยู่ภายใต้ข้างในที่หุ้มห่อด้วยด้วยด้วยด้วยหนังด้วยอะไรนี่มันก็จะเห็นโอโ้มีโครงกระดูกอยู่มามปอดมีตับมีไตมีลำไส้มันก็จะเห็นว่าไม่สวยไม้งามความรักที่อยากจะได้ความรักความใคร่ก็จะหายไป อันนี้คือเจตนาของการศึกษาดูความจริงของร่างกายให้เห็นว่ามันไม่ส่วยไม่งานส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ให้เราเห็นว่าที่เราคิดว่าร่างกายเป็นตัวเรามันตัวเรามันอยู่ตรงไหนก็ลองไล่เป็นคนหนึ่งตามเอาไว้ว่าต่างๆตัวเราอยู่ที่ปอดหรือเปล่าอยู่ที่หัวใจหรือเปล่าเวลาเราเปลี่ยนหัวใจเอาหัวใจคนเก่ดมาเราเปลี่ยนตัวเราไปด้วยหรือเปล่าเราก็ยังเป็นตัวเราก็ยังเป็นคนเก่าอยู่เราก็จะรู้ว่า อาการทั้งขาที่สองนี้ไม่มีตัวมีตนมันเป็นอาการที่ทําหน้าที่ทํา ใ, ให้ร่างกายคงอยู่ได้แต่และอาการนี่ก็มันมีหน้าที่ของมันเท่านั้นเองแต่เราก็จะเข้าใจว่าออตัวเรานี่มันอยู่ที่ความคิดของเราเราไปคิดขึ้นมาเองคิดว่าตัวร่างกายเป็นตัวเราแต่พอไปค้นหาจริงๆตัวเรามันไม่มีอะไรในร่างกายเราพอแยกชิ้นส่วนออกมา ก็มีแต่นขนผมขนเล็กฟันหนังเนื้อเอ็นกรดูกมีอาการส32แล้วอาการทั้ง32นี่มันมันรอกเป็นตัวเราหรือเปล่าไม่มีเลยเราก็จะเห็นว่าอ๋อเราไม่มีตัวเราไม่ได้อยู่ในร่างกายไมนกล้สมมติว่าถ้าเคยกอดคุณหมอตอนที้กําลังเดินทางอยู่แล้วหาพา ส, สปอร์ตไม่เจอไม่รู้ว่าไปเก็บไว้ที่ไหนสงสัยว่าอยู่ในกระเป๋ากระเป๋าเดินทางคุณหมอต้องทำํำไงคุณหมอต้องเปิดกระเป๋าเลยใช่ไหม คนหาดูในกระเป๋าว่ามันอยู่ในนี้หรือเปล่าคนไปค้นมาบางทีมันก็อาจจะไม่มีอยู่ในนั้นก็ได้ก็แสดงว่าคุณหมอคิดผิดไปคิดว่ามันอยู่ในกระเป๋าแต่มันไม่ได้อยู่ในกระเป๋ามันอาจจะไปอยู่ในที่อื่นก็ได้อันนี้ก็เหมือนกันเราไปคิดว่าเราตัวเราอยู่ในร่างกายนี้เราก็ต้องคนหาค้นหาตัวเราให้เจอแต่ถ้ามันอยู่ในร่างกายนี้ถ้าร่างกายนี้เป็นตัวเราเราก็ต้องอยู่เราก็ต้องอยู่ในร่างกายแต่พอเราค้นหาแกะกล่องออกมาเปิดมาดูอาการต่างๆ เราก็ไปไม่ไม่เจอตัวเรามันก็จะได้ข้อสรุปด้วยปัญญาว่าไม่มีไม่มีตัวเราในร่างกายเราก็จะได้เบาใจได้ต่อไปนี้ทําการก้าใจให้ถูกต้องว่า <X> ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราตัวเรานี้เป็นเป็นความคิดผิดของเราเองเราไปคิดผิดเองว่ามันว่าเราอยู่ในร่างกายว่าเราเป็นร่างกายเนี่ยมันจะได้ข้อสรุปแบบเนี้เป็นกับเวลาที่คุณมอหาของที่หายไปเนี่ยไม่รู้ว่าไปไว้ที่ไหนอยู่ในกระเป๋าหรือเปล่าอยู่ในตู้เสื้อผ้าหรือเปล่า แต่ทำไงก็เราไปค้นหาในที่ที่เราคิดว่ า, า ม, มันจะอยู่ที่นั่นนะ้วเราไปแล้วไม่เจอก็แสดงว่ามันที่นั่นไม่ใช่เป็นที่ที่เราเราเก็บของกันไว้อันนี้ก็เหมือนกันเราไปคิดว่าร่างกายีเราอยู่ในร่างกายร่างกายเป็นเราเราเป็นร่างกายแล้วก็ค้นหาดูเสเปิดร่างกายดูว่ามันมีหรือหม่มันก็มีแต่แค่อากการ12ชัดเจนมากมเลยครับอาจารย์ ผมก็พาอวัยวะมาก็ก็ไม่เจอตัวเราจริงครับอาจารย์เหมืนตัวคนไข้ก็ไม่เจอใช่ไหมเจอแต่เจอแต่ตัดไตของคนไข้นะไม่เคยเจอตัวคนไข้ใช่ไหมใช่ครับตัดออกไปก็เขาก็ยังอยู่ครับจริงๆนะ เ, เขาก็ยังอยู่แล้วเปลี่ยนไตเปลี่ยนตัดบเขาก็ยังอยู่ใช่ครับต่อไปถ้าเกิดเปลี่ยนสมองได้ก็ก็ยังก็เป็คนเดิมที่คิดน่ะไม่ใช่เป็นสมองของคนคนเจ้าของสมองเขาไม่เขาไม่ามาคิดหรอกเพราะตัวคิดมันอยู่ที่จิตไม่ได้อยู่ที่ทสมอง อ่านต่อไปอาจจะพิสูจน์ได้ว่าเอถ้าสมองเป็นเราถ้าเราเปลี่ยนสมองเราก็ต้องหายให้เปลี่ยนถ้าก็าสมองเก่าของเราออกไปแล้วสมองใหม่เข้ามาแต่ถ้าเรายั ง, ถ, ยงถ้าเรายังไม่ตายเราก็เราเราก็อยากคิดได้เหมือนเดิมแสดงว่าสมองไม่ไ ม, ไม่ใช่ตัวคิดแต่ตอนที่เรายังทําไม่ได้ยังเปลี่ยนสมองไม่ได้แต่วันข้างหน้าจะเปลี่ยนได้นักปัญย า, าศาสตร์ก็มีความสามารถสูง เชื่อว่าสมองจะเปลี่ยนได้ทุกวัยวนะสมองนี้ตัดออกบางส่วนตัดจุดนั้นจุดนี้ตัวเดิมของคนเดิมก็ยังอยูอย่ครับอาจารย์ได้เหมือนเดิมความรู้สึกนึกคิดก็เหมือนเดิมอยู่แต่ความสามารถที่จะใช้สั่งให้ร่างกายทําอะไรนี้มันอาจจะทำไม่ได้นะเพราะสมองนี่เป็นผู้บัญชาการเป็นกรรมบัญชาการเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวต่างๆของอวัยวะต่ า, างๆมากกว่าเรา่องกาที่จะเป็นความคิด ปุลสิรินครับเวลาลูกเครียดลูกจะท่องเพื่อเตือนสติตัวเองว่าเครียดเองเหนื่อยเองสุดท้ายก็ตายเองแบบนี้ทําให้จิตลูกรู้สึกว่าจิตค่อยๆเบาลงจากความเครียดค่ะก็ดีนะที่ก็เป็นอุบายแต่ของแต่ละคนเนี่ยอาจจะต้องหาวิธีที่ถูกใจกับจิตของตัวเองบางทีใช้ของคนอื่นเนี่ยอาจจะไม่ถึงใจบางทีพูดโทรมันไม่ถึงใจงงนะก็ลองค้นหาดู ว, วิธีก็แล้วกันบางค น, นคิดถึงความตายแล้วมันก็หายหายเครียดเลยก็ได้รู้อยู่เครียดทาไมเดี๋ยวก็าตายแล้ว คุณมราครับกลับเป็นถาพระอาจารย์ครับทําบุญหนึ่งร้อยวันให้ยายอย่างรายยายจึงจะได้รับบุญสูงสุดและจําเป็นหรือไม่ที่ต้องกลับไปทําบุญที่ภูมิลำเนาของยายครับไม่จาเป็นหรอกทำเมื่อไหร่ก็ได้ทําวันนี้เลยก็ไ ด, ไได้ไม่ต้องรอครบหนึ่งร้อวันรอยร้อวันทําไมยายก็ต้องรอคอแห้งปากปากแห้งไปหลายวันกว่าจะได้บุญที่เราส่งไปทําอย๋ยวนี้เลยทําให้มากอยากให้บุญได้มากอยากให้ได้รับบุญมากเท่าไหร่ก็ทําให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ บนนะสุดคุณวันดีครับทําอย่างไรเราจะมีพลังในการดําเนินชีวิตในทุกๆวันคะมีสตินะฝึกสติไปสติเนี่ยเป็นตัวคุ้มพลังของจิตใจถ้ามีสติแล้วจิตจะเบาใจจิตจะเย็นจิตจะสบายจิตจะไม่เครียดจะไม่หนัก อ, อกหนักใจจะคล่องแคล่วว่องไวเวลามีสติน คุณเลซิตาครับฝึกนั่งสมาธิโดยการมีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายลมหายใจแต่ทําไมฝึกไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกเหนื่อยเพลียขึ้นมาเจ้าคะเพลียเหมือนใช้พลังงานทั้งวันจนหลายครั้งสติไม่ค่อยอยู่เหมือนเวลาเพลียมากๆค่ะเมันก็เป็นธรรมดาร่างกายเมื่อเราใช้มันมากๆมันก็เหนื่อยได้ไเรื่องธรรมดา คุณสุวิวัฒน์ครับการที่เราวางเฉยต่อปัญหาของผู้อื่นที่เขามาเล่าให้เราฟังจะกลายว่าเราเป็นคนที่ขาดความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นหรือไม่เจ้าคะเราควรวางตัวอย่างไรขอคาแนะนําพระอาจารย์ครับก็เราฟังแล้วก็ถือว่าเราเห็นเห็นใจครเ า, เ, าเราถึงฟังปัญหาของเขาแล้วแต่ที่จะไปแก้ปัญหาของเขาเราอาจจะแก้ไม่ได้เราก็ต้องเฉยไปัเองถ้าเราช่วยเขาได้เราก็ช่วยไปถ้าเราช่วยเขาไม่ได้เราก็าก็ต้องปล่อยไป คุณสมพรครับการบวชพรามณ์คือเป็นคําที่ใช้เรียกผู้ถือในขมะมาถือศีลแปดที่วัดคําถามคือคําว่าบวชพราหม์เป็นคําที่ใช้เรียกผู้มาถือศีลแปดทั้งผู้หญิงและผู้ชายเข้าใจถูกไหมครับอย่างสับสนกับการบวชพรามกับบวชชีเลยเป็นที่มาของคําถามครับก็อันเดียวกันนะทั้งหญิงทั้งชายก็บวชพราม์คือการละเว้นจากการเสด็จกรมนั่นเองในขมะเพราะเพราะพรามพรามก็คือคํามาจากคําว่าพรอง ทบก็คือเป็นผู้ที่ไม่ไม่เสด็จกรรมแล้วท่านเสพความสมบอกของจิตแทนคุณวิทวัตรครับทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกเท่านั้นที่ดับไปไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกสิ่งนี้หมายถึงอะไรครับก็หมายว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความทุกข์เนีพอสิ่งไหนเกิดขึ้นมาทุกมันก็ตามมากับสิ่งนั้นพอสิ่งนั้นดับไปทุกมันก็ดับไปกับสิ่งนั้น เ <Okay. S 2> ช่นตอนที่คุณสมมุติคุณเป็นโสเ น, นี่ยคนก็ไม่มีทุกข์กับใครใช่ไหมพอคุณได้แฟนมาได้ภรรยาได้สามีมาปั๊บทุกข์ก็เกิดแล้วใช่ไหมทุกข์กับทุกข์กับสามีทุกข์กับภรรยาแล้วถ้าเกิดมีลูกขึ้นมาอีกคนหนึ่งก็ทุกข์กับลูกก็ตามมาแล้ ว, ลวพอเวลาภรรยาและสามีตายไปทุกข์นั้นก็ดับไปเวลาลูกของคุณตายไปทุกทุกเกี่ยวกับเรื่องของลูกก็ดับไป ก็มีนะเพราะทุกอย่างมันเป็นทุกข์นะเพราะทุกอย่างมันเป็นใจรัะพอทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกนี้มันไป็นใจรัก<ม>พอมันเกิดต้องก็แสดงว่าทุกข์เกิดขึ้นแล้วพอมันดับทุกข์มันก็ดับไปพอมันยังตั้งอยู่ทุกข์ก็ยังตั้งอยู่ต่อไปคุณนะพระสอนครับนั่งสมาธิแล้วเห็นความคิดตลอดเวลาทํำยังไงดีครับก็หยุดนั่นสอย่าไปอย่าไปคิย ใหอ้อย่าไปดูความคิดให้ใหดูลมหายใจแล้วดูดูพุโทโธพุโทโธไปแล้วต่อไปความคิดมันก็นจะหยุดมันก็จะหายไปคุณเพ็ญ น, นภาครับขอการพระอาจารย์ชี้แนะเพิ่มเติมการพัฒนาเรื่องพุโทโธของตอนเองค่ะหากเราพุโทโธอยู่เนืองๆแต่เวลาเกิดอาการปวดศีรษะไมเกรนยังรู้สึกปวดอยู่ครับอ๋อพุโทโธนี่ไม่ไปได้หยุดไมเกรนนะหยุดพุทโธมันหยุดความทุกข์ ทุกใจเวลาที่เกิดไมเกรนถ้าเรามีพุโทโธใจเราจะเย็นใจเราจะเฉยกับการปวดไมเกรนอันนั้นคือถ้าเราไปอยากให้ให้ไมเกรนหายด้วยการท่อพุโทโธแล้วยิ่งไปสร้างความทุกข์ให้มันมีมากขึ้นไปการที่เราทําพุโทโธเพื่อหยุดความอยากไม่ให้มันไปอยากให้ไมเกรนหายไปให้ปล่อยให้ไมเกรนมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปของมันเอง มีรายงานผลนะครับคุณแคทบอกว่าลูกศึกษาธรรมะมา ก, มากแต่เมื่อไม่ได้มาฟังหลวงพ่อสอนให้หยุดอยากแค่คําเดียวทําให้ชีวิตลูกพบกับความสงบเพราะเวลาคิดอยากจะมีอยากจะได้ก็จะคิดถึงคําสอนของหลวงพอ่อทําให้ไม่อยากมีอยากได้อีกเลยครับอสาธทุกจะขอให้ทำไปให้ได้ตลอด คุณพริตตี้ครับคำว่าปัญญาคือเห็นตามความเป็นจริงใช่ไหมครับมีคําถามว่าถ้าเราใช้การคิดพิจารณาเหตุผลประโยชน์หรือทุกข์แบบนี้ใช้ได้ด้วยไหมครับคือถ้าถ้าเห็นด้วยปัญญาความจริงคือให้เห็นไตรลักนะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ทุกสิ่งทุกอย่า ง, ง, ง, งไม่มีตัวตนไม่อยู่ภายใต้อํานาจของใครถ้าไปอยากให้เขา อ, อยู่ภาย ใ, ใต้ความต้องการของเราเราก็จะทุกขึ้นมา นี่คือปัญญาทําพุทธศาสนาคือให้เข้าใจหลักของไตรลักษณ์และหลักอริยสัจสี่คุณชอบครับอยากถามพระอาจารย์ว่าเมื่อทําสมาธิจนจนิตนิ่งแล้วควรทําอย่างไรต่อครับควรรักษาความนิ่งให้นานๆให้มันนั่ง น, นิ่งไปให้ น, นานๆถ้ามันไม่นิ่งก็ต้องทําต้องใช้สติทำต่อไปให้มันนิ่งนั่งให้นานๆเป็นชั่วโมงได้ยิ่งดี แล้วจิตจะมีความสุขจะมีความสบายใจเวลาออกจากสมาธิมาคุณพริตี้ครับมีคนเคยบอกว่าสุขภาพไม่ดีให้ปล่อยชีวิตสัตว์แผ่กุศลให้เจ้ากรรมในเวรแล้วจะช่วยให้ดีขึ้นสามารถช่วยได้ไหมครับถ้าช่วยได้ก็ไม่ต้องมี ม, มีโรงพยาบาลมีหมอให้เสียเวลา คุณบรรจะมาครับความเบื่อหน่ายในชีวิตคารวาสเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเบื่อหน่ายจริงๆอยากไปบวชครับก็ลองไปบวช ด, ดูเลยถ้ามันเบื่อก็ไปบวช ด, ดูถ้ามันหายเบื่อแล้วเมื่อไหร่มันก็อยากจะเซิกเอง่ะก็แสดงว่าไม่เบื่อจริงถ้ามันเบื่อจริงมันก็จะไม่มีความคิดอยากจะเซ็ก คุณพริตี้ครับถ้าปฏิบัติแบบพุโทโธแล้วจิตไม่นิ่งอึดอัดแต่นั่งแล้วพิจารณาอาการสาิสองเดินปัญญากนสมาธิแบบนี้ได้ไหมครับได้ลองทำดูใช้อาการสาแทนใช้ใช้พุโทโธก็ได้คุณสุปตาครับหนูมีความกังวลที่พ่อป่วย เพราะหนูไม่ได้อยู่ดูแลไม่ได้พาพ่อไปหาหมอหนูรู้สึกผิดทุกในใจพยายามไม่กังวลแต่ก็อดไม่ได้ทุกทีหนูจะปรับใจให้ไม่ทุกข์ไม่เครียดกับเรื่องนี้ยังไงดีครับก็ช่วยช่วยพ่อในในสิ่งที่เราทำได้ก็คือส่งเงินไปเลยส่งเงินไปให้ช่วยค่าใช้ใจ่ายต่างๆในการดูแลพ่อถ้าเราไม่สามารถไปทาได้ด้วยตนเองล้วก็ส่งตัวแทนเราก็คือเองินเราเอง คุณดีนครับถ้าเราพูดกับพ่อแม่คือพ่อแม่เขาตัดสินใจรักลูกแต่ลูกทําผิดศีลธรรมแล้วเราพูดกับพ่อแม่ให้ปล่อยวางเราจะบาปไหมครับคือความจริงเราไม่ควรสอนพ่อสอนแม่พ่อแม่เขาเป็นพ่อเป็นอาจารย์เราเราเป็นลูกศิษย์ของพ่อแม่พ่อแม่ก็สอนเรามาตั้งแต่เป็นเด็กถ้าพ่อแม่เขาไม่มาขอคำปรึกษาเราก็ไม่ต้องควไม่ต้องให้คําปรึกษากับพ่อแม่จะดีกว่าเพราะเป็นการขาดความเคารพและเป็นการ ถือตีตนเสมอท่านหรือตีตนสูงกว่าท่านกลายเป็นอาจารย์ของพ่อแม่ไปแล้วนี่อย่าไปเป็นอาจารย์ของพ่อแม่นอกจากพ่อแม่ต้องการคําปรึกษาแเรวก็ให้คำปรึกษาได้ทาพ่อแม่ไม่ต้องการคำปรึกษาก็ปล่อยให้พ่อแม่ท่านทำตามตามที่ท่านต้องการหรือทำตามที่ท่านคิดว่าสมควรก็แล้วกันไม่ใช่เรื่องของราคุณเลสิตาครับ ฝึกสมาธิจับลมหายใจแต่เมื่อเลิกทําแล้วรู้สึกจิตมันหนักๆเช่นนี้คือเป็นโลกิยะวางใจผิดใช่ไหมคะมันไม่โล่งไม่โปร่งตอนเลิกนั่งก็รู้สึกสมองอื้อๆนั่งบ้างเดินจงกรมบ้างสลับกันครับคือเวลาหน้านี้มันเป็นการต่อสู้ระหว่างธรรมกับกิเลสนะกิเลสก็อยากจะไปหารูปเสียงกลิ่นรสธรรมะก็คือสติพยายามหนึ่งให้ใจออกจากรูปเสียงกลิ่นรสช่วงแรกๆมันยังรู้สึกเครียดมันีเหมือนกับเป็นการชักกระเยอะกัน แต่เราก็ต้องทนพยายามสร้างพลังของสติให้มากขึ้นมากขึ้นเพราะถ้าต่อไปถ้าสติมีกําลังมากขึ้นกิเลสมันก็จะสู้ไม่ไหวมันก็จะยอมแพ้พอยอมแพ้จิตก็นิ่งสง บ, บความตึงเครียก็จะหายไปหรือถ้อีกทางหนึง่งสติเรากําลังน้อยล้วเรายอมแพ้เราหยุดทําความเครียกจหายไปเหมือกันแต่เราไม่ได้ความสง บ, บเราก็กลับมาฟุ้งซ่านกลับมาทุกข์กลับมาอยากเหมือนเดิม นั้เราต้องพยายามอดทนเวลาที่เราทําสมาธิแล้วเกิดอาการรู้สึกตึงเรื่นหนักในจิตมันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องของการต่อสู้ระหว่างทรรมกับกิเลสคือสติกับความอยากนั่นเองถ้าสติมีกําลังมากกว่าความอยากมันก็จะสงบตัวลงไปแล้วเราจะรู้สึกเบาสบายมีความสุขแต่ถ้าสติหมดกาลังเราก็ยอมแพ้เราก็เลิกทํามันก็เบาเหมือนกันแต่มันเบาแบบที่มันยังทําให้เราเครียดอยู่ต่อไป คุณธิดาครับโยมใส่บาทอาหารของใช้และใส่ซองปัจจัยด้วยไม่ทราบว่าควรหรือไม่เจ้าค้าสาระปัจจัยพระท่านจะพูดทุกครั้งว่าจะนําไปชําระค่าน้ําค่าไฟเจ้าค่ะก็แล้วแต่ท่านถ้าท่านจะรับพวกท่านก็เป็นเรื่องของท่านพราะเดี๋ยวนี้วินัยข้อ น, นี้ก็ค่อเข้างที่จะไว้ได้มีการรักษากันเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าทั้งผู้ให้กับผู้รับก็บบกบสะรุปได้กันทั้งสองฝ่ายผู้ให้ก็อยากจะให้ผู้รับกบ็ก็ยินดีรับก็เลยไปด้วยกันได้ คุณโซฟาโซกูตครับท่านพระอาจารย์เคยสอนให้อยู่กับความเจ็บปวดต้องอยู่กับมันตอนนั่งสมาธิทําตามมาเรื่อยๆแต่ตอนนี้ลามไปตอนโมโหตอนพยาบาทเมื่อก่อนจะทนไม่ได้ทุกอย่างเลี่ยงตอนนี้รู้แล้วอยู่กับมันสักพักดับไปอันนี้คืออะไรครับก็เกิดเราใน่อุเบกขาเลยเราวางเฉยได้เราไายทุกอย่างเกิดดับของมันไปเองเราไม่ต้องไปทําอะไรกับัน คุณพัฒนพักครับกลับนมัส ก, การพระอาจารย์เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วทุกสาหาัสฝึกอย่างไรไม่อยากเกิดอีกครับพระอาจารย์ก็ต้องหยุดความอยากให้หมดด้วยการฝึกสติสมาธิและปัญญา ส, ส, สััสสมุนด้วยศีลศีลสมาธิปัญญาคุณพรมครับพระอรหันยังเจ็บปวดทางกายทางใจตอนก่อนตายอยู่ไหมครับ ทางกายอย่างเดียวทางใจท่านไม่ไม่มีอาการเจ็บปวดไม่มีความทุกข์ใจแต่ทางร่างกายก็ยังปวดเหมือนเดิมอยู่เหมือนกับทุกคนแต่ใจท่านไม่ไปตัวไม่ไปทุกข์ ก, กับความเจ็บปวดทางร่างกายใจท่านเฉยเฉคุณสิทธิโช ค, ครับการสบดหรืออุทานคําหยาบคายก่อให้เกิดกรรมใดครับเพื่อให้เป็นคําเตือนใจเฝ้าระวังในวาจาต่อไปครับ การพูดการพูดคำหยาบ ก, ก็จะทาให้เราติดนิสัยไปเนพรุ่นี้เราก็จะเป็นคนที่อยาบคายท่านนี้เวลาเราจะไปเข้าสังคมเข้ากับใครเขาจะเป็นที่ถูกเ้าลังเกียจคุณสิริศักดิ์ครับหากเราภาวนาและพิจารณาจนสติตามสังขารทันสังขารปรุงแต่งให้เกิดรูปลามกและกายไปยึดอารมณ์มาทำให้อวยวะเพกแข็งขออนุญาตสอบถามว่าให้ภาวนาและพิณาไปทางอสุภพะ หรือว่าดูจิตอย่างไหนจะดีกว่ากันครับออต้องไป ต, งต้องดึงจิตให้ไปมองให้หนัสุภาขึ้นมาให้เห็นตับตายไส่ภุมิให้เห็นซากศมเห็นร่างกายที่เราเห็นว่าสวยงามนั้นเป็นซากศมไปคุณวีนาบอกว่าคนที่เราปฏิบัติธรรมทุกวันแต่ยังมีความอยากซื้อของอยากไปเที่ยวอยากแต่งตัวแปลว่ายังปฏิบัติธรรมไม่ได้ผลใช่ไหมครับ ก็ยังอาจจะไม่รู้ว่าการปฏิบัติธรรมนี่เพล่าความอยากเขาเรียกการปฏิบัติธรรมเพื่อทําให้ใจเข้ามีความสุขเขาก็ปฏิบัติแค่สมาธินั่งสมาธิเพื่อให้มีความสุขพอจากสมาธิมาเขาก็ไปทําตามความอยากของเขาต่อไปก็ยังไม่ถึงขั้นปัญญาอยู่ขั้นขั้นสติขั้นสมาธิเท่านัคุณเจสครับขอสอบถามค่ะว่าเราจะบาลานซ์อย่างไรระหว่างการวางใจว่าเป็นเรื่องหรือกรรมของเขาและปล่อยผ่าน กับการไม่เพิกเฉยต่อสิ่งไม่ถูกต้องหรือการไม่นิ่งเฉยควรจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์จะได้ไม่เสียใจทีหลังครับก็อยู่ที่กําลังของเราว่าเราทําอะไรได้หรือไม่ได้ถ้าเราช่วยเหลือได้เราก็ทําไปแต่เราไม่ควรจะเดือดร้อนกับการการช่วยเหลือผู้อื่นถ้าเราช่วยเหลือผู้อื่นแล้วทําให้เราเดือดร้อนเราก็อาจจะต้องระงับแล้วก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของกรรมเขาไป คุณเตชินีครับมีช่วงหนึ่งอยากทิ้งพุทโธ ร, รู้สึกไม่สงบแบบนี้เป็นกิเลสหรือเปล่าเจ้าคะก็ไม่ซาลาทิ้งพุทโธแล้วจะไปทำอะไรต่อถ้าถ้าทิ้งพุทโธก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้เป็นเปลี่ยนเป็นอาการ32ก็ได้ส่วนบนอิทีย์โซไปก็ได้หรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆในอรียบท่างๆของร่างกายไปก็ได้แต่ไม่ควรทิ้งสติเพราะสตินี่มีคุณค่าต่อจิตใจมาก ที่ถ้าเราพยายามทำไปเรื่อยๆวันหนึ่งมันจะทําให้ใจเราสงบได้ถ้าเราไม่มีสติแล้ว เ, เราอย่าไปหวังว่าใจเราเราจะสงบได้เลยเฉะั้นอย่าทิ้งสติเปลี่ยนเปลี่ย น, เ ป, ยนเปลี่ยนวิธีทำทำสติได้ถ้าเราเคิดว่าพุทธัร์มันเบืเ่อเราเปลี่ยนเป็นการสวดนติปิโส ok ก็ได้หรือสวดสั้นๆแบบพุทธทางสานังกะฉามิทำลําสานังกระฉามิไปก็ได้เราต้องให้สวด บ, บ่อยๆสวดอยู่เรื่อยๆ ก็คอยควบคุมความคิดอยู่ความคิดแล้วใจเราจะเบาจะคิดน้อยลงน้อยลงแล้วพอเรามานั่งสมาธิแล้วก็อาจจะเปลี่ยนาดูลมหายใจเข้าออกแทนก็ได้แล้วถ้าเราสามารถดูลงไปเรื่อยๆไม่ให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นนได้เดี๋ยวใจก็นิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาได้แต่ทิ่งสติไม่ได้สตินี้เป็นสิ่งที่สาคัญที่จาเป็นในทุกกรณี คุณสำรวยครับภาวนาแล้วเกิดกายเบาอยู่เป็นระยะขณะจิตเราจะลงสู่สมาธิใช่ไหมครับทํายังไงให้สมาธิลงได้ตลอดครับก็ภาวนาะต่อไปอย่าหยุดภาวนาเวลากายเบาแล้วก็อย่าย่าหยุดภาวนาทําต่อไปเหมือนตามที่เราเริ่มต้นอย่าหยุดคุณเพชครับเวลาฟังเทศสามารถวางจิตกับลมหายใจหรือต้องไปจับกับเสียงเทศครับก็ควรจะแยกเสียงเทศจะดีกว่า เพราะถ้าเราจะดูลงหายใจเราก็ไม่ต้องฟังเทศให้มันเสียเวลาเพราะว่าแสดงว่าเรามีสติพอที่จะดูลงได้เราก็ไม่ต้องฟังเทสแต่บางคนบางคนก็ดูลงไม่ได้เพราะใจมันจะไปไปคิดเรื่องนี้เรื่องนี้แต่พอได้มีเสียงเทสได้ยินฟังเสียงเทสมันก็หยุดความคิดขงได้เพามาใช้การฟังเทสฟังเสียงเทสไปเป็นการหลุดใจ คุณศุภัสักครับเรียนถามว่าบุคคลที่อ้างตนว่าสา ม, มารถแก้กรรมได้ช่วยเหลือที่ถึงได้คุณสักชีและนาเสนอตอนเองการสื่อสารนครการทำนี้จะได้บุญไหมครับได้บรอมในกาหลับลเราจิแก้กรรไม่ได้กแก้ไม่ได้ำทําทําไปแล้วไม่ใช่เราตองส่งคุณสุริยาครับ ความเครียดเกิดจากปัญหาของใคหรือไม่เจ้าคะใช่ใช่ต้องเวลาอยากไปเที่ยวไม่ได้ไปก็เครียดนะคุณนิทัศน์ครับทําสมาธิจนได้จิตสงบในช่วงแรกๆจะเกิดเมื่อเผลอก่อนแล้วมีความสงบขึ้นในช่วงนี้หลายครั้งรู้ตัวว่าเข้าสู่ความสงบนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ไม่ทราบเหมือนกันคำว่าเผลอนี่เผลออะไร เผลอสติมันเข้าสงมบมไม่ได้หรอกนะมันจะเกิดเมื่อเผลอไม่ทราบหมายถึเผลออะไรสตินี้เผลอไม่ได้เลยถ้าจะเข้าสู่ความสงบต้องมีสติอย่างต่อเนื่องคุณอัญชลีครับการเก็บผ ล, ลไม้ในทรณีสมมูงมาทานบาปไหมครับก็ต้องไปขออนญาตเจ้าของต้นไม้ก่อนถ้าเป็นของวัดก็ต้องไปขอญาต เ, เ, เจ้าวาดหรือ ก, กับพระ ถาว่าผลม้นี้เอาไปกินได้ไหมถ้าท่านบอกไม่ได้มันเป็นของวัดนี้ก็เราก็ไม่ขนเอาไปคมันก็วัดก็เป็นเหมือนบ้านเป็นนิติบุนคคล<ม>เวลาคนเข้าไปในบ้านคุณแล้วก็ไปเก็บผลไมน้นี่คุณู้อัอนุญาตให้เขาเก็บหก็เปล่าใช่ไหมคนก็ต้องเขาต้องขออนุญาตจากคุณก่อนคุณเป็นเจ้าของเขาในทางใ น, งนสุวก็เป็นของพระของพระสงฆ์ซึ่งตัวแทนของพระสงฆ์ก็คือเจ้าว่า แล้วก็ลองไปขออนุ ญ, ญาตจากเจะเอาว่าหรือว่าถ้าเจ้เอาว่าท่านมอบหมาย้คนอื่นตอบตอบแทนได้ก็ไปไปถามผู้องค์ที่ท่าน อ, อนุ ญ, ญาตให้เป็นผู้ที่ อ, อนุ ญ, ญาตแทนท่านได้คุณแม่พลอยครับกลับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะการปล่อยปลาปล่อยสัตว์เป็นการต่อชีวิตกับตัวเองจริงไหมครับพรับในชาตินี้มันตอบไม่ได้เหรอแต่มันอาจจะ ต่อได้เนห้องน้าชาณาคุณธนวัลครับพยายามปฏิบัติธรรมแต่ต้องต้องทําแลดูแลแม่ที่ป่วยโรคสมองเขาเดินได้แต่วุ่นวายมากเราไม่มีสมาธิที่จะสวดมนต์บางครั้งทอมากเหนื่อยมากเลยทําให้เต็มที่และน้ําเหนื่อยมากเลยทําไม่เต็มที่และน้ำหนักเหลือสามสิบเจ็ดมองร่างกายแล้วโปร่งสังเวชแต่ไม่ได้นานก็เบื่อเพราะเหนื่อยครับ ก็พยายาม ท, ทําเท่าที่เราทําได้ชมที่เราทําไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปทำนันความเหนื่อยนี้มันอาจจะอยากเกิดจากการที่อยากจะทํามากเกินกาลังของเราก็ได้ก็น้องยอมรับสภาพของเราว่าเราทําได้เท่านี้แล้วเอาเท่าก็ทำเท่านี้ไปก่อนถ้าเหนื่อยก็พักซะก่อนคุณคริสครับป่วยเรื้อรังนานหลายปีไม่สามารถทํางานได้เราจะอยู่อย่างไรถึงจะไม่ทุกข์ครับ ก็ยอมรับ ส, บ, บสภาพนั้นไปว่ามันเป็นอนัตตามันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นภาวะที่เราไม่สามารถไปแก้ไขดัดแปลเปลี่ยนแปลงได้เราก็ต้องยอมอยู่กับมันไปคุณนำครับไม่มีภรรยาแล้วอยู่คนเดียวแต่ยังฝันว่าได้เสพสังวาสอยู่กับคนอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาทํำยังไงดีครับก็มันเรื่องที่มันยังข้างข้างข้างคา ง, า ง, างอยู่ในใจความอยากเสพมันยังมีอยู่ ก็เวลานอนหลับเราก็ห้ามมันไม่ได้มันเป็นเรื่องของมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องบาปเรื่องเรื่องความเสียหายใดๆขอว่าเวลาที่เราตื่นเราอย่าไปเราอย่าไปทำแล้วกันเราอย่าไปถ้าเราเห็นว่าการไปเสพสัมวาทนี้มันเป็นการต่อเป็นการสร้างความทุกข์ต่อพพต่อชาติถ้าเราต้องการหยุดความทุกข์หยุดภพหยุดชาติก็พยายามห้ามใจไว้เวลาที่เราอยากจะไปเสพสัมวาสกับผู้ คุณสุพพิพัฒน์ครับเวลาเดินจงกรมจิตชอบไปรู้ลมหายใจแทกตลอดเวลาอาจเพราะเดินฝึกรู้ลมเป็นหลักมาก่อนควรจะทําอย่างไรเมื่อเดินจงกรมหให้ จ, จิตไม่ไปที่ลมหายใจครับก็เราใช้คําว่าใบคำพุโทโธพุโทโธไปหรือดูเท้าคอ ย, อยเฝ้าดูเท้าซ้ายขวาซ้ายขวาไปหรือถ้าจะดูลมได้ก็ดูลมไปก็ได้ก็ไม่ไม่มีข้อห้ามแตอย่างใด ถ้าเดินไปแล้วสามารถดูลงเข้าลมออกได้ก็ดูไปก็ได้ข้อสำคัญก็คืออย่าให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เท่านั้นคุณพริตตี้ครับต้องดูแลแม่ที่ป่วยจนเราไม่มีเวล า, าหาเงินแบบลูกต้องทำชีวิตอยางและใจอย่างไรครับก็ทำใจตามสภาพไม่ทำไม่ได้ก็ทำไม่ได้แล้วต้องออยอมรับความจริง คุณมาลาทรีครับมีรถปาดหน้าจนทำให้รถเราเสียหลักรู้สึกตกใจแลวต่อมาก็โกรธปีแตกพร้อมจะเอาเรื่องทำอย่างไรให้สติกลับมาโดยเร็วได้เจ้าคะ่ะพุโทโธไปท่าพุโทพโทพโทโพโไปคุณปริตี้ครับข้อที่หนึ่งเคยได้ยินคำสอนที่อื่นว่านั่งสมาธิแล้วกายห า, า, ายไปเหลือจิตที่สงบมีความสุขถ้าอยู่กับความว่างนานๆถ้าออกจากสมาธิจิตจะเหมือนหินทับหญ้าโลภโกรธหลงจะมากขึ้นจริงไหมครับ ไม่จริงหรอกโรคปดหลงจะเบาลงเพราะอำนาจของสมาธิที่เราไปกดมันไว้แต่ถ้าเราไม่ไม่คอยควบคุมมันมันก็อาจจะมันอาจจะแรงขึ้นก็ได้เรื่องอยู่ที่สติของเราเวลาที่เราออกจากสมาธิมาว่าเราจะใช้สติคอยควบคุมต่อไปหรือไม่ถ้าออกมาแล้วเราไม่มีสติปล่อยให้จิตคิดไปโลกไปมันก็อาจจะอาจจะออกมาอย่างแรงก็ได้เพราะมันถูกกดดันไม่นาน เพราะมันมีโอกาสเหมือนช่วงนี้เห็นไหมถูกกดนานไม่นานสามปีไม่ได้สระนา้าเล่นน้ำอเลยตอนนี้มันเลยออกมาสุดๆเลยอันนี้ปล่อยไม่มีชติยับยังกันเลยเอาให้เต็มที่เลยข้อที่สองบอกว่าถ้านั่งแล้วสงบจิตสว่างสักพักตว่าพิจารณากายหรืออาการสามสิสองไหมครับยังเนลาที่อยู่ในสภาวสง บ, สงบไม่ต้องทาอะไรให้มันสงบนานๆ อยากจะพิจารณาอะไรให้ออกจากสมาธิมาก่อนแล้วค่อยพิจารณาอาจารย์ขนถามสุดท้ายครับคุณน้ำครับมีเหตุทําอย่างไรถึงจะมีเหตุจูงใจให้นั่งสมาธินานๆหรือเดือนจงกรมนานๆครับเพราะว่าผมนั่งสมาธิได้นิดเดียวครับเหตุที่จะให้จูงใจเราก็คือสตินล่พยายามฝึกสติให้มากๆสติฝึกทั้งวันเลยถ้ามีสติมากเวลานั่งสมาธิจะนั่งไดนานเอ จะสงบได้เร็วได้ง่ายเรื่องพยายามฝึกสติให้มากๆฝึกทั้งวันทั้งคืนเลยสามทุ่มครึ่งดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับขอโอกาสครับวันนี้มีเพื่อ น, อนชมอยู่ใน f a c e b o o หกร้อยแปดสิบสี่คนใน y o u t u เจ็ดร้อยสิบเจ็ดคนในครับ h o าส e 1ิบหคนรวมเพื่อนๆที่ฟังทำอยู่พันหนึ่งพันสี่ร้อยสิบเจ็ดคนครับอาจารย์ครับก็ยินดีกับทุกท่านที่เข้ามารวมฟังรวมสนทนา หวังว่าคงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนํ่ น, ะน อ, อกไปใช้การปฏิบัติคืบหน้าต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปเพิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถอดอลขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ ถ้าไม่มีรารขาดข้อก็คงจะได้พบกั น, นอีกในวันอาทิตย์หน้าเช่นเคยเขาจเจริญพอครับกลบขอบคุณมากครับ